ในหลักพุทธศาสนาไม่มีคําว่าผมลิขิตนะครับมีแต่กรรมลิขิตกรรมคือเจตนาเจตนาทำดีเรียกว่ากุศลกรรมเจตนาทําชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมปัจนี้พวกเราเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเองแท้ๆเลยแม้แต่วันนี้หรือการที่เข้าคลอสปฏิบัติในครั้งนี้ทุกท่านก็ลิขิตชีวิตตัวเองให้เข้ามาปฏิบัติธรรมเมื่อท่านเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วท่านยังลิขิตต่อด้วย ลิขิตอย่างไรลิขิตให้เป็นผู้มารับฟังก็ได้หรือจะลิขิตชีวิตตัวเองให้มาเป็นผู้หลับฟังก็ได้รับฟังกับหลับฟังนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับหรือแม่ลิขิตมาแล้วนั่งคุยกันทุกๆทุกๆก็ได้ฉะนั้นชีวิตเราเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเองหมดเลยไม่มีใครลิขิตให้ถ้าผมจะตั้งคําถามนะครับว่าอะไรหนอที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยเท่าเทียมเสมอภาคกันหมดเลย ไม่ว่าจะยากดีมีจนเขาให้มาเท่าเทียมกันหมดเลยสิ่งนั้นคืออะไรครับเวลาครับธรรมชาติให้เวลามา24ชั่วโมงเท่าเทียมกันให้แล้วให้เลยใช้ไม่หมดจะสะสมแต้มวันนี้ฉันใช้24 22ชั่วโมงเนาะสะสมไว้อีก2ชั่วโมงพรุ่งนี้ใช้26ชั่วโมงได้ไหมครับไม่ได้จะมีเงินมากมายมหาศาลเพียงใดก็ช่างจะซื้อ25ชั่วโมงได้ไหมครับ ไม่ได้ฉะนั้นให้แล้วให้เลยสําคัญเพียงว่าเราได้24ชั่วโมงมาเท่าเชียมกันเราจะบริหารจัดการเวลา24ชั่วโมงอย่างไรในชีวิตให้เกิดคุณค่าของชีวิตมากที่สุดถ้าผมตั้งคําถามนะครับสมมติว่าอาสมศิลวันนี้เนี่ยจัดให้มีคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตเบิร์ตท่านคิดว่าคนมามากกว่านี้ไหมครับมากกว่านี้เนาะแล้วท่านคิดว่าแถวหน้าเต็มก่อนหรือแ ถ, แถวหลังเต็มก่อนครับ แถวหน้าเนาะแต่พอเป็นธรรมะนี่แถวหน้าโบโบใช่ไหมแถวหลังเต็มเหตชไหนกลัวธรรมะนักเป็นสิ่งนี้น่าคิดมากเลยนะแต่เนื่องจากว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้รู้ความจริงของชีวิตจึงต้องมาเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเคยได้ยินสิ่งที่พระท่านให้พร น, นะอายุวันโนสุขังพลังเห็นไหครับ เป็นบทพรพรที่พระให้วันหนึ่งผมได้มีโอกาสขับขับรถแล้วฟังวิทยุหลวงพ่อชาอุ้ยท่านพูดน่าคิดมากบางทีเราก็ไม่เคยคิดเนาะท่านบอกว่าพระที่ท่านให้พรเราเนี่ยไม่ใช่ว่าพระให้พรแล้วเราจะได้พรสมปรารถนาไม่ใช่แล้วลองมาดูแต่ละหัวข้อนะน่าคิดมากผมเองก็ไม่เคยคิดนะหลวงปู่ชาบอกว่าอายุให้พรคือให้อายุแปลว่าให้อายุยื น, ยน สมมติว่าสักร้อยปีแล้วกันเนาะร้อยปีถือว่าอายุยืนมากอายุยืนยาวเนี่ยวันณนะผิวพันธุ์ผ่องใสหรือเหี่ยวย่นครับอายุยาวๆนี่ผิวพันธุ์เต่งตึงหรือเหี่ยวย่นครับย่นเนาะเห็นไหมอายุวันณนะสุ ข, ขะเวลาคนแก่เยอะๆนี่ความสุขเยอะหรือความทุกข์เยอะครับทุกข์เยอะใช่ไหมอายุวันณนะสุ ข, ขะพระเวลาแก่เยอะๆพระกําลังเยอะแยะเลยใช่ไหมหรือไม่มีแรงไม่มีแรง เป็นสิ่งที่น่าสังเกตมากว่าสิ่งที่พระให้พรมิใช่แปลว่าเราจะได้รับพรจากสิ่งที่พระให้เสมอไปแต่สำคัญว่าพรที่พระให้เรารู้จากสร้างเหตุให้เกิดตรงพรนั้นหรือเปล่าเช่นอายุทำยังไงหนอจึงจะมีอายุยืนยาวเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ จึงเป็นอนิสงส์ผลบุญสืบเนื่องให้เรามีชีวิตที่อายุยืนยาวแล้วแล้วไม่ก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากวันณะวันณะทํายังไงนะวันนะผิวพันธุ์จะได้ผุดพองผ่องใสจะต้องไม่เป็นคนขี้โกรธจะต้องเป็นคนที่รู้จักเมตตาเมตตาคือปรารถนาดีเมตตาคือมิตรไมตรีเมตตาคือพร้อมที่จะให้อภัยถ้าหากเราฝึกจิตไม่เป็นคนขี้โกรธรู้จักให้อภัยผิวพันธุ์ก็จะผุดพองผ่องใส เห็นไหมครับนั่นคือการสร้างเหตุอายุวันณนะสุ ข, ขะวิธิทำยังไงนอะถึงจะมีความสุขเราจะต้องเจริญในกุศลกุศลในพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงตรัสสอนนั่นก็คือมีทานกุศลศีลกุศลกับภาวนากุศลหากว่าเรามีการเจริญในกุศ ล, ลจิตบ่อยๆความสุขก็เกิดขึ้นโดยตัวของเขาเองโดยไม่ต้องไปขอพรจากใครได้ซ้ําปอายุวันณนะสุ ข, ขะละ ทำยังไงเนอ้อจึงจะมีภระร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องเคลื่อนไหวต้องออกกำลังกายจึงจะแข็งแรงถ้าหากร่างกายมันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงสมมติเดี๋ยวฉันจะออมแรงนะฉันจะนอนบนเตียงเจ็ดวันเลยไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยออมแรงออมแรงวันที่แดเดินได้ไหมครับง่อยเลยจริงมแปลกมากเลยอะ เวลาร่างกายมันไม่เคลื่อนไหวนะมันหมดแรงนะแต่ถ้าร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีพลรรังกำลังแต่ในมุมกลับเรื่องจิตถ้าจิตมันฟุ้งซ่านอะเคลื่อนไหวเยอะหมดแรงถ้าจิตมันนิ่งสงบได้มีสมาธิจิตมีแรงแต่พวกเราจะตรงกันข้ามถามว่าท่านผู้ใดบ้างที่เคยเห็นโทรทัศน์ ขาวดาบ้างช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยสิครับอ๋อแสดงว่าแก่พอกันยุคสมัยนะั้นมันมีโทรทัศน์ขาวดําแล้วมันไม่มีรีโมทคอนโทรลใช่ไหมจะเปลี่ยนช่องทีต้องไปแกะแกะแกะหมุนแรงก็ไม่ได้ติดมือมาด้วยจริงไหมแต่ยุคสมัยนี้รีโมทครับจึ๊บๆึบจึ บ, บร่างกายจะอยู่นิ่ ง, งตลอดเลยไม่ได้เคลื่อนไหวเลยมันเลยหมดเรี่ยวแรงฉะนั้นการที่เราจะได้พรตามที่พระท่านให้พรควรจะต้องสร้างเหตุ ด, ดังกล่าวไปแล้วแต่วันนี้ สิ่งที่ผมจะพูดมนุษย์เราที่เกิดมาควรจะได้รับพรสี่ประการนั่นคือหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์ 2. มีอายุยืนยาว 3. ได้พกพระพุทธศาสนา 4. ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่คือพอรสี่ประการในฐานะที่เกิดมามีอาถาพเป็นมนุษย์พึงจะได้รับ แต่ประชาชนคนไทยเราเนี่ยมีประมาณเจ็ดสิบล้านคนส่วนใหญ่จะได้รับพรเพียงแค่สามประการหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองมีอายุยืนยาวสามได้พบพระพุทธศาสนาแต่ข้อที่สี่หาน้อยนักที่จะได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์แต่พวกเราที่มาณนะที่นี้ได้รับพรสี่ประการนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนากับทุกท่านด้วยทีนี้เราเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันว่าเรามักจะมองว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องที่ยากมากพูดถึงธรรมะแล้วเนี่ยฉันตั้งความเซ็งไม่แปดสิบอร์ซ็นต์ละมันต้องเป็นเรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้เรื่องอ่ะแท้ที่จริงธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวพูดคําว่าใกล้ตัวยังไม่ชัดนะธรรมะเป็นเรื่องในกายในใจคือในตัวเลย ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรานั่งทับธรรมะแต่เราไม่รู้จักธรรมะเราเดินชนธรรมะเราก็ไม่รู้จักธรรมะเรานอนทับธรรมะอยู่เราก็ไม่รู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไรแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักคำสอนพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเรียนรู้หลักคำสอนพุทธเจ้าผมได้เกิด น, นำเบื้องต้นว่าวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมกันฉะนั้นผมจะขออนุญาตตั้งคาถามแล้วท่านช่วยกันตอบถามว่าท่านผู้ใดคิดว่ า, าศาสนาพุทธ กับาศาสนาอื่นนั้นเหมือนกัน <governments> เพียงแต่วิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันเท่านั้นท่านผู้ใดคิดว่ า, าศาสนาพุทธกับาศาสนาอื่นนั้นเหมือนกันช่วยกรุณ า, ายกมือขึ <ists and confused> ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับ <men> <ảo> <looked> ท่านผู้ใดคิดว่ า, าศาสนาพุทธกับาศาสนาอื่นนั้นไม่เหมือนกันช่วยกรุณ า, ายกมือขึ้นหน่อยสิครับ ขอบคุณครับท่านผู้ใดไม่ทราบว่ า, าศาสนาพุทธกับาศาสนาอื่นนั้นเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ยกมือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับท่านผู้ใดยังไม่ได้ยกมือยกมือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับ <S <S <S เป็นสิ่งที่น่าคิดมากว่าเหตุไฉนหนึ่งคำถามเนี่ยมันจึงออกมาสามคำตอบได้คําตอบที่หนึ่งคือเหมือนกันคําตอบที่สองคือไม่เหมือนกันคําตอบที่สามคือไม่ทราบนี่คือพื้นฐานนะครับ ฉะนั้นก่อนที่เราจะอะไรต่อไปนี่ต้องรู้พื้นฐานก่อนคำตอบสุดท้ายศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นนั้นไม่เหมือนกันถามว่าไม่เหมือนตรงไหนทุกศาสนาสอนสองข้อหนึ่งให้ละชั่วสองให้กระทำความดีแต่พุทธศาสนานั้นสอนสามข้อหนึ่งให้ละชั่วสองให้กระทำความดีหรือทำกุศลให้ถึงพร้อมสามทจิตให้ผ่องแผ้ว พองใสหมดจดจา ก, กเกลียดคืออยู่เหนือดีและชั่วชั่วไม่ทำอยู่แล้วแม้ทำความดีไม่หลงยึดติดในดีทำความดีไม่ได้หวังว่าจะต้องได้ดีทำความดีไม่ได้หวังว่าใครจะต้องชื่นชมสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีแต่ที่ทำความดีเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นดีมีประโยชน์จึงทำทำดีเพื่อความดีทำดีแต่พอดี ทำดีให้ถูกดีทำดีให้ถึงดีทำดีแล้วไม่ยึดติดในดีนั่นแหละจึงจะอยู่เหนือดีและชั่วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมิได้กล่าวว่ า, าศาสนาอื่นไม่ดีนะครับทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนยิ่งขึ้นกว่านั้นว่าแม้จะเป็นคนดีก็จะทุกแบบคนดีอย่างไรหนอจึงจะพ้นทุกได้ เป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะครับว่าพวกเรามนุษย์ทั่วไปเนี่ยต้องการให้คนที่เรารักมีความสุขมนุษย์ทั่วไปต้องการให้คนที่เรารักมีความสุขแต่ความรักของพระพุทธองค์ต้องการให้พวกเราพ้นทุกคคละเกลียดเลย พระพุทธเจ้าต้องการเราพ้นทุกข์แต่พวกเราต้องการให้คนรักเราเพียงแค่มีสุขแต่อย่าลืมว่าสุขนั้นก็ตกอยู่ภาวะแห่งความไม่เที่ยงก็แปรปวนอีกเห็นไหมครับพระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอนว่าทาอย่างไรหนอจึงจะออกจากบ่วงทุกข์นี้ได้นั่นเราก็จําเป็นจะต้องมาเรียนรู้หลักคําสอนของพระพุทธองค์แต่และหัวข้อพอสังเขตในเบื้องต้นนะครับข้อที่หนึ่งละชั่วทํายังไงนะพวกเราจะละชั่ว เราก็มาสังเกตสิครับว่ามนุษย์สามารถทําผิดบาปผิดชั่วได้นี่โดยหลักๆ ก, กี่ทางโดยหลักๆ ก, ก็สทางทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจจะละชั่วทางกายจะทําอย่างไรพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าหนึ่งต้องไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักสัพว์สไม่ประพฤติผิดในกาบนี่คือละชั่วทางกายกรรมสประการ ละชั่วทางวจีกรรมหรือทางคำพูดวาจาสี่ประการหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดส่อเสียดสมไม่พูดคำหยาบสี่ไม่พูดเพอเจอร์นี่คือละชั่วทางวจีกรรมสี่ประการละชั่วทางมโนกรรมหรือทางใจสประการหนึ่งไม่เพ่งเล็งอยากจะได้ของคนอื่นเขาสองไม่พยาบาทเบียดเบียนปองร้ายผู้อื่น สามมีความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิธฐินี่คือละชั่วทางมโนกรรมหรือทางจิตใจสามประการนั่นเองถ้าหากว่าท่านที่เคยได้มีโอกาสศึกษาธรรมะมาบ้างอาจจะเคยได้ยินคำว่าละอปุสลกรรมบทสิบประการนั่นเองคือละกายทุจริตสามประการละวจีทุจริตสี่ประการละมโนทุจริตสามประการ รวมเรียกว่าละอักุศลกรรมบทสิบประการนี่คือหลักแห่งการละชั่วในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งขยับมาข้อที่สองทำกุศลให้ถึงพร้อมทำยังไงนะฉันจะทำกุศลให้ถึงพร้อมพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าให้มันเจริญในบุญกิิยาวัตถุสิบประการบุญกิจยาวัตถุสิบประการนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นที่หนึ่งรู้จักการให้ทาน 2. รักษาศีล 3. เจริญภาวนา 4. อ่อนน้อมถ่อมตน 5. ช่วยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นกุศล 6. อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 7. อนุโมทนาบุญ 8. ฟังพระธรรม 9. แ, แสดงธรรม 10. มีความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิฏฐินี่คือหลักแห่งการทำกุศลให้ถึงพร้อมในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาข้อที่ สองเรามาเรียนรู้หลักการทํากุศลให้ถึงพร้อมในสิบข้อนี้นี่พอสังเกตแต่ละขอ้อพอให้เข้าใจเริ่มต้นที่หนึ่งการให้ทานสังเกตไหมครับว่าวัตถุประสงค์ของการให้ทานเช่นเราจะมอบสิ่งนี้ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับเราจะพิจารณาก่อนว่าของสิ่งนี้นี่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับหรือไม่เมื่อพิจารณาให้ควรไตรตรองดีแล้วว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์จึงมอบให้กับผู้ การที่เราให้กับผู้รับเสร็จปุ๊บเพื่อเป็นการลดความตะหนีที่เหนียวในจิตใจลงนั่นก็คือลดกิเลสความขี้เหนียวของตัวเองลงหัวใจแห่งการให้ทานมีแค่นี้นะครับแต่ทุกวันนี้นี่เราสังเกตซิว่าการให้ทานของเราเนี่ยอยู่ในกรอบตรงนี้ไหมหรือมันมีอะไรที่แอบอยู่ข้างหลังเช่นสมมุติปกติก็ไม่ค่อยได้ใส่บาตรเนาะ วันนี้จะใส่บาตรสักกัหน่อยหนึ่งพอจะใส่บาตรปักก็อธิษฐานจิตสาธุการที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรในเช้าวันนี้อีกสองวันหวยก็จะออกแล้วขอให้ถูกเลขท้าย2ตัวก็ยังดีสังเกตไหมครับมันมีอะไรแอบอยู่ข้างหลังอาหารที่ใส่บาตรพระสมุติราคาชุดละ30บาทถูกหวยรวยรัตตรี่เลขท้ายสองตัวผมก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะเพราะไม่เคยเล่นนะสมมติว่าได้200ลงทุน30แล้วมันได้200อะ่ะเขาเรียกว่าค้ากําไรเกิน ควรแทนที่มันจะได้บุญมันกลับจะได้บาปเพราะตัณหากิเลสตัณหาความอยากถูกหวยนั่นแหละเป็นตัวพาทำเป็นตน้นนะครับขยับมาเรื่องการรักษาศีลพวกเราเนี่ยก็รักษาศีลห้าขยับขึ้นมาหน่อยก็ศีลแปดศีลสิบเป็นศีลของสัมมเนนศีลสองยีส่สเจดเป็นศีลของพระพิสุทพวกเราก็เอาห้ากับแปดก็พอท่านสังเกตไหมครับว่าศีลห้าเนี่ย เป็นพื้นฐานในความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานในความเป็นมนุษย์เลยนะครับถามว่าทําไมหนังสือพิมพ์บ้านเรานี้จึงขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าทราบไหมครับเพราะอะไรเพราะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับกําลังประจานคนผิดศีลห้าเปิดได้เลยวันนี้วันนี้เปิดหน้าหนังสือพิมพ์ปุ๊บมีคมําแมฆคําว่าฆ่าไหมครับมีลักทรัพย์มีไหมครับ มีเป็นชู้ข่มขืนมีไหมครับมีต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกมีไหมครับมีเดิมสุราเครื่องมุญเมายาเสพติดมีไหมมีครบไหมครับห้าข้อครบหากชาวพูทชาวไทยในเมืองนี้รักษาแค่ศีลห้านะครับไม่ต้องศีลแปดนะครับแค่ห้าพอประเทศนี้เมืองนี้จะไม่มีไม่จําเป็นจะต้องมีคุกตารางเรือนจําหรือตํารวจเลยแค่ศีลห้าอย่าดูถูกวระศีลห้ามีค่าน้อยนะครับศีลห้าเป็นรากฐานของธรรมะทั้งปวงครับ หากศีลห้ายังไม่บริสุทธิ์หมดจดแล้วเนี่ยยากนักที่จะเจริญก้าวหน้าในด้านธรรมได้อุปมาศีลห้าเหมือนารากฐานของตึกตึกจะสร้างสูงแค่ไหนก็ช่างหากรากฐานไม่แข็งแรงวันหนึ่งตึกที่สร้างสูงก็จะพังร่วนค่อมล้ลลลมทลายแตกหักได้เช่นกันเคยได้ยินคำนี้ไหมครับที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูง มีดีที่แววขนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนเห็นไหมครับถ้าใจต่นะํานั้นมันเป็นได้แค่คนนะมันยังเป็นมนุษย์ไม่ได้นะแล้วมนุษย์นี่คือสัตว์ประเสรศ็จท่านทราบไหมคําว่าประเสริฐมาจากไหนประเสริฐมาจากที่มนุษย์มีคุณธรรมประเสริฐที่มนุษย์มีศีลธรรมประเสริฐที่มนุษย์สามารถพัฒนา ต, ตนเองได้พัฒนาจากคําว่าคนให้เป็นมนุษย์พัฒนาจากคําว่ามนุษย์ให้เป็นพระ พัฒนาจากคำว่าพระให้เป็นอริยะพัฒนาจนเป็นผู้หมดจดจากกิเลสนั่นคือพระอรหันต์พัฒนาจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังกระทำได้เลยนี่คือความประเสริฐที่ได้เกิดมามีอัตภาพเป็นมนุษย์นั่นเองขยับมาบุญกิจาวัตถุสิบข้อที่สการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาก็คือมีการเจริญสมถะภาวนาเพื่อทาให้จิตได้รับความสงบ และการเจริญวิปัสนาเพื่อทําให้เกิดความพ้นทุกการเจริญภาวนาในหัวข้อที่สามเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับขยับมาบุญกิริยาวัตถุสิบในข้อที่สี่จำได้ไหมครับคือจำไม่ได้เนาะอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับท่านฟังไปแล้วอย่าฟังเพลินนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนถามว่ามนุษย์เราเนี่ยควรจะอ่อนน้อมถ่อมต น, ตนต่อบุคคลประเทศใดบ้าง เราจะต้องอ่อนน้อมอถ่อมตนต่อบุคคลสามประเภทหนึ่งท่านมี ว, วัยวุฒิสูงกว่าเราสวัสดีครับคุณป้าคุณน้าคุณอาคุ ณ, è, คณยายเป็น ต, ต้นสองอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่มีคุณวุฒิมากกว่าเราใครหนอที่มีคุณวุฒิมากกว่าเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนท่านมีคุณมากกว่าเราแม้ท่านจะอายุน้อยกว่าเราเราต้องให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านเพราะท่านมีคุณวุฒิสูงกว่าเรานั่นเอง สามจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่มีชาติวุฒิสูงกว่าเราเช่นยกตัวอย่างพระองค์เจ้าทีปังกรเสด็จมาตรงนี้ท่านอายุน้อยกว่าพวกเราทุกคนถามว่าเมื่อท่านเสด็จมาเราต้องไหว้ท่านหรือท่านไหว้เราครับเราต้องไหว้ท่านเพราะท่านเกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นต้นสรุปการอ่อนน้อมถ่อมตนต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลสามประเภทหนึ่งวัยวุฒิสูงกว่าเราสองคุณวุฒิสูงกว่าเราสามชาติวุฒิ สูงกว่าเราขยับมาบุญกิริยาวัตถุสิบในข้อที่ห้าจำได้ไหมครับช่วยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นกุศลใครหนอเป็นผู้จัดอาสนะที่นั่งให้เราได้ฟังธรรมบุคคลท่านนั้นได้บุญข้อช่วยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วใครหนอเป็นผู้ที่เอาน้ํามาเสิร์ฟให้กับวิทยากรได้ดื่มเพื่อจะได้สะดวกในการพูดธรรมะได้มากขึ้นบุคคลท่านนั้นได้บุญข้อช่วยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นกุศลแล้วถามว่าเมื่อเขาเอาน้ำมาให้ดื่มเนี่ย สามารถดื่มได้ไหมครับดื่มได้ไหมครับยังไขอดื่มก่อนได้ไหมครับเ <c oughs> นาะขอดื่มก่อน <c oughs> ดื่มเสร็จบุญเขาจะได้สําเร็จเต็มร้อยถ้าเอามาแล้วไม่ดื่มเดี๋ยวไม่ครบเนาะเห็นไหมอย่างนั้นก็ให้เต็มๆซะเลยในขณนะเดียวกันพอพูดถึงเสิร์ฟ น, น้ําสมมติพวกเราเนี่ยดูดูด้วยสายตาประมาณสักหกเจ็ดสิบท่านสมมติพวกเราตีวง เล่นไพ่ไฮโลแล้วมีคนเดินมาเสิ บ, สบน้ำเนาะน้ํำไหมจ้าน้ํำไหมครับถามว่าคนเสิบน้ําประเภทสองนี้ได้บุญหรือได้บาปครับบาปนะครับเสิฟน้ําเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเสิบน้ําเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นกุศลเสิบน้ําอันหลังนี้สนับสนุนสิ่งที่เป็นอกุศลเขาเรียกว่าอบายามุขคือการเล่นไพ่ให้ยาวนานมากขึ้นเห็นไหมครับเสิฟน้ําเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน นี่คือบุญกุฎิาวัตถุสิบในข้อที่หขยับมาบุญกุฎิาวัตถุสิบในข้อที่หกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแม่นั่นแปลว่าทําบุญแล้วทําบุญทําทานแล้วบุญเกิดแล้วเมื่อบุญเกิดแล้วพระเจ้าสอนให้เราขี้เหนียวบุญหรือแบ่งบุญครับแบ่งบุญการแบ่งบุญก็คือการอุทิศให้อย่างนั่นเอง สำหรับบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็อุทิศโดยอ้างเอาบุญกุศลที่ได้ทําสําเร็จแล้วอุทิศให้กับญาติผู้ร่วงรับไปแล้วสําหรับญาติพี่น้องที่ไม่ได้ร่วงรับไปแล้วหรือเพื่อนฝูงแบบนี้เช่นยกตัวอย่างสมมุติเมื่อเช้านี้ผมไปใส่บาตรผมบอกว่าผมแบ่งบุญให้นะครับทุกท่านพอทราบก็ใช้คําว่าอนุโมทนาบุญแห่งการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นบุญข้อที่6ในบุญกริยาวัตถุสิบประการบุญแห่งการอ น, อนุโมทนาเป็นบุญข้อที่เจดอนุโมทนาก็คือ ยินดีในการกระทำความดีของผู้อื่นเช่นยกตัวอย่างที่ว่าใส่บาตถูกไหมครับแล้วท่านก็อนุโมทนาเมื่อเห็นเราใส่บาตในขณะเดียวกันถามว่าเราสามารถอนุโมทนาบุญเนี่ยเอาอย่างนี้ต้องถามเงี้ยดูโทรทัศน์เนี่ยนะได้บุญก็ได้ดูโทรทัศน์ได้บาปก็ได้เอาดูยังไงสมมติดูโทรทัศน์เสร็จปุ๊บเปิดช่องกลึกไปเห็นในหลวงอะ ในหลวงมีโครงการพระราชดําริสี่พันกว่าโครงการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อปวงชนชาวไทยเห็นในหลวงทรงงานในโทรทัศน์อนุโมทนาบุญกับในหลวงได้ไหมครับได้ได้บุญเรียบร้อยเขาเรียกว่าดูโทรทัศน์แล้วได้บุญแล้วดูโทรทัศน์แบบไหนที่มันได้บาปอ่ะดูหนังดูละครแล้วไม่ย้อนดูตัวตอนนี้หนังเรื่องอะไรที่มันฮิตฮิตละครอะไรนะอะ่ชายชายคุณชายสมมุติสังเกตไหมในหนังเนี่ยมันก็จะมีนางร้ายนางนางเอก ขณะเดียวกันเราเป็นผู้ดูนอกจอแท้ๆเหตฉไหนดูไปดูมานางร้ายหลังแกนางเอกเราทาไมต้องน้ำตาไหลด้วยนึกว่าตัวเองเป็นนางเอกเขาเรียกว่าหลงดูหลงอินเข้าไปในจอเห็นมันลืมตัวดูแล้วมันขาดสติมันลืมเนื้อลืมตัวดูโทรทัศน์แล้วถ้าดูเปลี่ยนนะครับพอดูโทรทัศน์ปั๊บจิตเศร้าคืออาการแล้วมันทำให้จิตเศร้าย้อนกลับมาดูจิต เห็นอาการจิตมันเศร้าแว๊บแขึ้นมาดูแล้วมันมีความสุขย้อนกลับมาดูจิตเห็นความสุขของจิตเกิดขึ้นแว๊บแขึ้นมาเป็นต้นเขาเรียก ว, ว่าดูข้างนอกดูละครแล้วย้อนกลับมาดูตัวเป็นต้นอะไรเขาเรียก ว, ว่าดูเป็นนะครับทีนี้บุญกรุรยาวัตถุสิบเนี่ยในข้อเรื่องอนุโมทนาตอนที่ไปสอนก็มีน้องๆแบบเนี้มาเรียนอาจารย์ขาพ่อแม่หนูเนี่ยคนจีนอะ่ะพูดภาษาไทยไม่ได้เลยสแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่หนูนี้หมดโอกาสอนุโมทนาแล้วสิคะ บอกไม่เกี่ยวคําว่าอนุโมทนาไม่อยู่ที่คําพูดนะอยู่ที่ใจผมก็บอกว่าเมื่อสองปีที่แล้วน้ําท่วมกรุงเทพเยอะเลยสมมุติว่าหนูเนี่ยเอาข้าวกรองเอาน้ําดื่มไปแจกคนที่เขาน้ําท่วมแล้วกลับไปบ้านก็บอกปะป้าหมาม้าวันนี้หนูเอาข้าวกรองกับน้ําดื่มไปช่วยคนเขาน้ําท่วมปะป้าหมาม้าว่าดีมะป้ป้าหมาม้าพูดภาษาไทยไม่ได้ไงก็เลยตอบเป็นภาษาจีนว่าห่อห่อห่อห่อแปลว่า ดีคำว่าห่อนั่นแหละคืออนุโมทนาครับไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้คำนี้หรือวาจาไม่ได้พูดเลยแต่ใจมันยินดีในการทำกุศลของผู้อื่นถือว่าได้อนุโมทนาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันบุญกิยาวัตถุสิบในข้อที่8คือฟังพระธรรมบทนี้ทุกท่านกำลังทำบุญข้อนี้การฟังพระธรรมประโยชน์คือหนึ่งได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน 2. ส, สิ่งที่มันสงสัยคาใจอ่ะมันคลายความสงสัย 3. ส, สิ่งที่เข้าใจอยู่แล้วมันเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้น 4. ทํทำให้มีดวงจิตที่ผ่องใสทําทำให้มีความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิฐินี่คืออนิสง์แห่งการฟังพระธรรม บุญกิริยาวัตถุสิบในข้อที่9คือการแสดงธรรมบัดนี้ผมกำลังทำหน้าที่เป็นผู้แสดงธรรมการที่แสดงธรรมคือให้ความรู้ให้ปัญญากับผู้อื่นเมื่อสร้างเหตุแบบนี้ย่อมได้รับผลแบบเดียวกันนั่นหมายความว่าผมเองจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดผู้ผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะสั่งสอนเราให้เราเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเอง หรือเกิดพบหน้าชันใดก็จะได้มีโอกาสเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิได้มีโอกาสใกล้ชิดครูบาอาจารย์และบัณฑิตผู้รู้เพื่อที่จะให้ความรู้สอนสั่งเรานั่นเองเห็นไหมครับสร้างเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นบุญกิริยาวัตถุสิบในข้อที่สิบคือทิฏฐิชูกรรมความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิฐิซึ่งสัมมาทิฐินี้จัดเป็นหัวใจในพุทธศาสนา ในอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัมมาคือถูกต้องถูกตรงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกนั่นเองซึ่งตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นมิจฉาคือผิดมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดถ้าสมมุติข้อสิทธ์นะครับแทนที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่มันกลับกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วทําข้อหนึ่งถึงข้อเก้านะครับผิดหมดเลยนะเห็นไหม ยกตัวอย่างสมมุติเป็นมิจฉาทิฐิแล้วฉันจะให้ทานมีมิจฉาทิฏฐิแล้วให้จะให้ทานเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเธอบริจาคเงินล้านหนึ่งนะเธอจะได้อยู่สวรรค์ชั้นเนี้ยถ้าสองล้านอีกชั้นหนึ่งนะเฮ้ยก็สามล้านอีกชั้นหนึ่งถ้าเคยเธอขายบ้านขายช่องมาทําบุญได้นะเฮ้ยบุญมันนับไม่ทื่อเลยอะถ้าทําบุญประเภทนี้ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปวงเล็บมหันนะครับมีคํากล่าวว่า ปกนรกอเวจียังดีกว่ามิจฉาทิฐินะครับจะบอกให้นรกอเวจีตกไปแล้วมันมีอายุหมดเวรหมดกรรมตรงนั้นแล้วมันขึ้นมาได้แต่ไอ้เจ้ามิจฉาทิฐินี่มันวนเวียนอยู่ในสังสารวัตไม่จบสิน้นยกเว้นว่าใจจะเปิดรับคําสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับจึงจะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิได้นี่คือการที่เรียกว่าให้ทานอันประกอบด้วยมิจฉาทิฐิเป็นต้น ถ้ายกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิแต่ฉันจะรักษาศีลนะสมมติ <c oughs> ผมถามทุกท่านว่าทุกท่านถือศีลอะไรสมมุตินะครับทุกท่านบอกว่าถือศีลห้ารักษาศีลห้าสมมติทีรยุทตบอกผมศีลแปดพวกท่านศีลห้านี่กระจอกจิบจิบกิ๊กก๊คอคสู้ผมไม่ได้ผมศีลแปดแทนที่มันจะได้อ น, นิสงผลบุญแห่งการรักษาศีลแปดมันกลับจะได้บาปเพราะเป็นศีลแปดเปื้อน 8. มันเอาศีลแปดไปแปดเปื้อนชาวบ้านเขาเอาไปข่มชาวบ้านเขาเห็นไหมยศีลแปดชนิดนี้นี่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดกูเก่งกูแน่กว่าคนอื่นเขาเห็นไหมครับตัวนี้นี่เองสําคัญที่สุดคือสัมมาทิฐินี่คือตัวอย่างบุญกุริยาวัตถุสิบจึงเป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าในการทํากุศลให้ถึงพร้อมนี่คือหลักคําสอนข้อที่สองขยับมาข้อที่สามเป็นข้อที่สําคัญที่สุด ทำจิตให้ผ่องแผ้วผ่องใสหมดจดจากกิเลสคืออยู่เหนือดีและชั่วทำยังไงพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าจะต้องมันเจริญในอริยมรรคมีองค์แปดย่อลงมาแล้วเหลือศีล ส, สมาธิปัญญาน้อมสู่การปฏิบัติเบื้องต้นคือการเจริญสติปัฐานสีคือมีสติมลลึกรู้กายเวทนาจิตและธรรมหรือสิ่งที่ท่านเคยได้ยินคาว่า เจริญวิปัสสนานั่นเองพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมะสองประการที่เราจะต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมะสองประการนั้นเป็นไนธรรมะสองประการนั้นคือการเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปัสสนาภาวนาแต่ประโยคสำคัญอยู่ที่คำว่าจะต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคาว่าจะต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งแปลว่าอะไร แปลว่าหนึ่งจะต้องรู้ว่าจะทําอะไรจะทําสมถะหรือจะทําวิปัสนาสองจะต้องรู้ต่อไปด้วยว่าจะทําทําไปเพื่ออะไรทําสมถะเพื่อทําให้จิตสงบทําวิปัสนาเพื่อให้เกิดปัญญาพาให้พ้นทุกสามจะทําแล้วจะทําอย่างไร ทำสมถะจะต้องมีจิตน้อมไปรู้อยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเมื่อจิตน้อมไปรู้เพ่งรู้อยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องผลสูงสุดจะทําให้จิตรวมเป็นหนึ่งและปรากฏผลคือจิตได้รับความสงบตอนที่จิตสงบนั่นแหละจึงเรียกว่าสมถะการเจริญวิปัสสนาจะทํำยังไงการเจริญวิปัสสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าจะต้องมีสติแล้วสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าความระลึกได้ ละลึกได้ให้ไปละลึกอะไรให้ไปลึกสิ่งที่ปรากฏที่กายให้มีสติมาระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏที่ใจแสดงว่าขอบเขตให้สติไปเรียนรู้หรือล ะ, ละลึกรู้ ม, them. Them. มีแค่สองอย่างคือกายกับใจออกนอกกายออกนอกใจไม่ใช่สถานที่เรียนรู้ละจากนั้นง่ายเพราะมันมีแค่สองอย่างกายกับใจแค่นั้นง่ายละมีสติละลึกรู้กายมีสติละลึกรู้ใจแล้วจะต้องให้ละ cool. ลึรกรู้อย่างไร ต้องระลึกรู้ด้วยความรู้สึกตัวสติคือความระลึกได้ความรู้สึกตัวคือสัมปัชญะนั่นหมายความว่าเครื่องมือในการเจริญวิปัสสนาต้องมีสติบวกสัมปัชญะขาดเครื่องมือสองตัวนี้นี้เจริญวิปัสสนาไม่ได้ถ้าเรายังรู้สึกตัวไม่เปลี่ยนเจริญวิปัสสนาไม่ได้ครับเพราะไม่มีเครื่องมือฉะนั้นสติสัมปัชญะรู้กายรู้ใจแล้วต้องรู้ขณะใดละ่ะพระองค์ทรงตรัสว่าต้องรู้ที่ปัจจุบัน แปลว่าอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาเอาที่ปัจจุบันแล้วยังไงต่อรู้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นมันคืออะไรจิตที่ตั้งมั่นคือไม่เผลอไปจิตที่ตั้งมั่นคือไม่เพ่งกดข่มบังคับเอาไว้นี่เรียกว่าจิตที่ตั้งมัน่นเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิแล้วยังไงต่อรู้สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเขาเรียกว่ารู้สภาวะธรรมใดก็ตามที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจรู้แล้วอย่าหลงยินดี รู้แล้วอย่าหลงยินร้ายซึ่งพระพุทธเจ้าใช้สัพ์คําว่ารู้แล้วให้กําจัดอภิชาและโทมนัสอภิชาแปลว่ายินดีโทมนัสแต่ว่ายินร้ายรู้แล้วต้องไม่ยินดีรู้แล้วต้องไม่ยินร้ายกับสิ่งที่รู้นั้นถามว่าทําไมอ่ะยินดีไม่ได้เหรอยินดีไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ว่าจะสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีก็ตามมันตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษ ไตรไปว่าสาม ล, ลักษณะสามประการอันได้แก่หนึ่งอ น, นิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนแปรปวนแล้วก็เปลี่ยนไปสองทุกขังคือธรรมชาติที่ถูกบีบคั้นทรงอยู่สภาพเดิมนานๆนั้นไม่ได้สามอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นใครมันเป็นเพียงแค่รูปธรรมและนามธรรมาทเท่านั้นและมีความหมายหนึ่งคือบังคับบัญชาเขาไม่ได้นี่คือหลักในการเจริญวิปัสสนา ทีนี้เรามาดูตัวอย่างหลักการเจริญสมถะบ้าง <c oughs> พระองค์ตรัสว่าจะต้องมีจิตน้อมไปรู้อยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเช่นบางท่านเพ่งรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวบางท่านเพ่งรู้อยู่ที่ท้องพองท้องยุบอย่างเดียวบางท่านเดินจงกรมก็เพ่งที่เท้ากระทบพื้นอย่างเดียว เห็นครับการที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละหรือบางท่านอาจจะไปอยู่ในบทบริกรรมใดบริกรรมหนึ่งเช่นคำว่าพุทโธพุทโธบางท่านบอกคำว่าพุทโธไม่ถนัดอาจจะไปใช้บทบริกรรมอื่นๆก็ได้เช่นคาว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังเป็นต้นมีบทบริกรรมอีกมากมายเป็นตัวอย่างถ้าจิตน้อมไปรู้อยู่สิ่งเดียวนั่นแหละคือการเจริญสมถะ ซึ่งคําสอนพระพุทธเจ้าท่านใช้ศัพท์คําว่าอารมมณูปนิชานคือการเพ่งอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้เพ่งอารมณ์ไว้วิปัสสนาท่านเรียกว่าลักคนูปนิชานลักคนูปนิชานคือรู้ลักษณะของอารมณ์นั้นมันเป็นไตรลักษณ์คนละแบบนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องการเจริญสมถะเพิ่มเติมเพ่งรู้อยู่อย่างเดียวทีนี้ถามว่าทําไมทําไมต้องให้เราเจริญสมถะด้วย เพราะเหตุใดเพราะหนึ่งถ้าผมจะอุปมานะครับเวลาที่ท่านไปให้หมอเขาดูลายมือหรือเขียนคนอื่นเขาดูลายมือหมอใช้เลนขยายใช่ไหมครับส่องดูลายมือหากใช้เลนขยายเนี่ยไปส่องแล้วให้แสงดวงทิตผ่านเลนผ่านเลนแล้วมารวมเป็นจุดรวมแสงถ้าเราใช้กระดาษชิชชู่หรือสำรีไปวางไว้ณนะจุดรวมแสงถามว่าอะไรเกิดขึ้นครับไฟลุกพลุกเช่นกันแสงตอนนี้มันกระจายมันไม่มีพลัง แต่ให้มันรวมเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่วรัมันมีพลังอํานาจมหาศาลมากจิตมนุษย์เช่นกันจิตของพวกเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นจิตพวกกระจุยกระจายกระเจิดกระเจิงตะเลิดเปิดเปิงมันไม่รู้ไปไหนหมดจึงเป็นกุศโลบายให้มันมารวมเป็นหนึ่งซะหน่อยรวมที่ลมหายใจยบ้างรวมที่ท้องพองยุบบ้างรวมในบทบริกรรมใดบริกรรมหนึ่งบ้างเพื่อให้จิตเนี่ยได้รับความสงบ และประโยชน์ของเขาก็คือจิตนั้นได้พักผ่อนจิตนั้นมีกําลังจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ได้นานจิตนั้นได้รับความสุขเป็นต้นนี่คืออริสง์แห่งการเจริญสมถะแต่ในบางครั้งท่านอาจจะได้ยินคำนี้อีกแล้วว่าการเจริญสมถะนั้นนะ่ะมันเหมือนก้อนหินทับหญ้าอุปมาเบื้องหน้าผมนี้คือกอหญ้าอันเขียวชอุ่มแล้วนี่สมมุติเป็นก้อนหิน เอาก้อนหินนี่ทับกอหญ้าห้าวันเจ็ดวันสิบวันโยกก้อนหินออกถามว่าหญ้าที่เคยเขียวอยู่นั้นน่ะมันยังคงเขียวเหมือนเดิมหรือจะกลับกลายเป็นสีเหลืองครับเหลืองแลดูว่าหญ้ามันน่าจะตายแต่คันหญ้านั้นได้แดดได้น้ำได้ลมได้ฝนหญ้านั้นก็พลันงอกงามขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นแปลว่าสมถะเป็นเพียงแค่กดข่มกิเลสไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นสมถะทาให้กิเลสสลบ แปลว่าฟื้นได้แต่การเจริญวิปัสนาอุปมาเหมือนการถอนรากถอนโคนของต้นญ้าวิปัสนาจึงทําให้กิเลสสลายมิอาจสามารถกลับฟื้นคืนมาได้อีกเลยเห็นไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ว่าไปดูถูกสมถะว่าไม่ดีนะพระพุทธเจา้าตรัสไว้ว่าธรรมะสองประการที่เราจะต้องเจริญด้วยปัญญาอยิ่งนั่นคือการเจริญสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาการที่จะเกิดปัญญาหรือเรียกว่าวิชา จำเป็นจะต้องอิงอาศัยทั้งสมถะและวิปัสนาการที่จะคําว่าวิมุตต์หรือว่าหลุดพ้นก็จําเป็นจะต้องอิงอาศัยทั้งสมถะและวิปัสนาช่วยกันนะครับฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราชาวพุทธต้องเข้าใจว่าตอนไหนที่เราจเจริญสมถะเพื่อวัตถุประสองค์อะไรตอนไหนที่เราจเจริญวิปัสนาเพื่อวัตถุประสองค์อะไรนั่นเองทีนี้ขยับมาดูเรื่องของวิปัสนาบ้างท่านใช้คําว่าต้องมีสติ มันละลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจด้วยความรู้สึกตัวพวกกล่าวคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยคำนี้เป็นคําอธิบายความยากก่อนที่ อ, อธิบายคําว่ารู้สึกตัวนะครับผมจะยกตัวอย่างสิ่งที่ตรงข้ามกับคําว่ารู้สึกคืออาการคิดนึกคิดนึกกับรู้สึกสองอย่างนี้แตกต่างกันตรงไหนนะครับเอาเรื่องการคิดนึกก่อนสมมุติว่าผมจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยคิดถึงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณเก้าประการ ย่อลงมาแล้วเหลือ3ประการ 1. พระองค์ทรงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณหมดจดจากกิเลสสองพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่คุณตรัสรู้ด้วยพระองค์เองสพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณตรัสรู้แล้วยังนำคำสั่งสอนของพระองค์มาสอนพวกเราให้พ้นทุกข์ได้เยี่ยงพระองค์คิดถึงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทำให้จิตเรามีความสุขสงบได้ไหมครับได้เป็นสมถะครับยังไม่ใช่วิปัสนา สมรถะสามารถคิดพิจารณาได้แต่วิปัสนาคิดพิจารณาไม่ได้ต้องรู้สึกเอาทีนี้พอจะมาอธิบายคาว่ารู้สึกก็อยากจะขอยกตัวอย่างคำว่าคิดนึกอีกสักหนึ่งตัวอย่างฉะนั้นไมโครโฟนอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่ไม่ลอยขอหยิบไม่ลอยนิดหนึ่งได้ไหมครับโอเคครับใครจะเป็นตัวแทนเอาอย่างนี้น้องคนที่หยิบเลยดีไหม ผมถามไม่ยากถามชื่อเล่นชื่ออะไรครับปลาค่ะเปิดไม้นิดนึงครับต้องต้องอยู่ห่างห่างห่างลำโพงนิดหนึ่งชื่อชื่อปลาค่ะชื่อน้องปลานะครับตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างเขามาคิดนึกนะถามน้องปลาว่าเมื่อเช้านี้ฉันตื่นนอนมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํารับประทานอาหารนู้นเช้าแล้วก็เข้ามาฟังธรรมตรงนี้ ถามว่าน้องปลาคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ไหมครับคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ไหมครับได้ครับได้ถามว่าเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตครับเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตถูกต้องเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหลังจากที่จบจากการบรรยายธรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องปลาจะไปไหนครับจะกลับ ะจะกลับหอน้องปลาคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ไหมหลังจากที่ฉันฟังทำจบแล้วนี่ฉันจะกลับหอพักคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ไหมครับได้ค่ะเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตครับอนาคตค่ะถูกต้องครับสังเกตไม่ทำไมผมโยงช้าๆให้ท่านตามได้ทันเมื่อใดก็ตามที่เป็นการคิดกันนึก เมื่อนั้นมันจะเอื้อมไปสู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตบ้างหรือมิเช่นนั้นมันก็จะเอื้อมไปสู่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไอ้เจ้าคิดนึกเนี่ยมันทิ้งปัจจุบันฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาจึงใช้คาว่าคิดพิจารณาวิเคราะห์วิภาควิจารวิจัยไม่ได้ทั้งหมดในการเจริญวิปัสสนาแต่ใช้ได้ในการเจริญสมถะ นไรครับสมถะคิดพิจารณาชักแม่น้ําทั้งห้าคิดบวกได้หมดเลยถ้าเจริญสมถะได้แต่วิปัสนาไม่สามารถวิปัสนาต้องรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอา <S <S ทีนี้ยกตัวอย่างคิดนึกไปสองตัวอย่างแล้วละลึกถึงคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าหนึ่งตัวอย่างแล้วก็ที่น้องปลามาเป็นตัวแทนก็คิดนึกอีกเรื่องหนึ่งก็2ตัวอย่างท่า น, นเริ่มเห็นภาพแล้วแต่ทีนี้จะมาอธิบายความว่าแล้วไอ้เจ้ารู้สึกอะหน้าตามันเป็นยังไง นะครับน้องปลาครับน้องปลาส่งไมโครโฟนไปให้ใครก็ได้ที่หนูชอบส่งไปเลยครับเลือกตามชอบใจเลยครับเห็นไหมเป็นอนิี้ส่งเห็นไหมเป็นอนิี้ส่งถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่อนกค่ะ <c oughs> ชื่อนกทีนี้จะคุยเรื่องรู้สึกแล้วนะถามน้อง <c oughs> นกว่าน้องนกเคยทานทุเรียนไหมครับเคยค่ะ <c oughs> ทุเรียนหวานไหมครับ <c oughs> หวานค่ะเคยทานลำใหย่ไหมครับเคยค่ะลําไยหวานไหยครับเคยทานเงาะไหมครับ เง<น>้ะหวานไหมครับน้บนองนอกลองอธิบายความหวานของผลไม้สามชนิดนี้เป็นภาษามนุษย์นะครับภาษาไหนก็ได้ให้พวกเราได้เข้าใจใหน่อยได้ไหมครับก <c oughs> ็หวานนะคะก็หวานนะค่ะเห็นไหมท่านสังเกตไหมมันอธิบายยากมากเลยถ้าสมมุติพวกเราไม่เคยรับประทานผลไม้สามชนิดดังกล่าวนะน้องนกจะอธิบายความหวานตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะจนถึงพรุ่ง น, นี้ไม่นอนเลยนะถามว่าพวกเราจะรู้สึกถึงรสชาติแห่งความหวานเหล่านั้นได้ไหมครับไม่สามารถเพราะ ภาษามนุษย์ไม่เพียงพอต่อการอธิบายสภาวะธรรมครับเห็นมคำว่ารู้สึกเหมือนกันไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงมันไม่รู้จะอธิบายยังไงมันยากเหมือนกับไอความหวานนั่นแหละ <S <S แต่ท่านสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่ผมเก่งแล้วสอนท่านได้นะท่านสอนตัวท่านเองเรามาฝึกคำว่ารู้สึกกันหน่อยดีไหมครับว่าไอหน้าตาของไอคำว่ารู้สึกเนี่ย มันเป็นยังไงมันต่างกับไอ้เจ้าคิดนึกอย่างไรขอให้ทุกท่านช่วยกรุณายืนขึ้นหน่อยสิครับผมก็จะยืนกับท่านด้วยครับเมื่อทุกท่านยืนขึ้นแล้วนะครับขอให้เอามือทั้งสองข้างห้อยลงข้างข้างลำตัวมือที่ห้อยลงข้างข้างลำตัวนั้นมือนั้นไม่กําคือไม่กํามือนะครับมือนั้นไม่เกร็งคือไม่เกร็งมือปล่อยให้มันผ่อนคลายผ่อนคลายแบบสบายๆแล้วขอให้ทุกท่านลองสบัดมือทั้งสองข้างแรงๆแล้วเร็วๆสิครับสบัดแรงๆเร็วๆเลยนะครับ ท่านหยุดนะครับท่านหยุดนะครับทีนี้ท่านสังเกตนะผมใช้คําว่ารู้สึกท่านจะมีความรู้สึกเหมือนเลือดลมที่ไหลเวียนลงไปที่ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างที่ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างท่านจะรู้สึกอาการจิตจิตจิตจิแผ่วแผ่ it. เบาๆรู้สึกได้ไหมครับรู้สึกได้ต้องคิดไหมไม่ต้องคิดเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในอนาคตหรือปัจจุบันครับปัจจุบันเมื่อใดเป็นความรู้สึกมันจะลงปัจจุบันทันทีเมื่อใดเป็นการคิดการนึกมันจะกระโดดไปอดีตอนาคตทันทีเลย อีกสักหนึ่งวิธีขอให้ทุกท่านเอามือสองข้างถู ก, กันแรงๆและเร็วๆครับเอาห่างออกจากกันสิครับ ว, ว, วูบวบวบ ว, ว, วับวับวรู้สึกได้ไหมครับน่าแหละหน้าตาของคาว่ารู้สึกไม่ต้องพูดเลยว่ารู้สึกหนอมันรู้สึกอยู่แล้วนะครับอีกสักหนึ่งวิธีตอนนี้ท่านยืนอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่ทรงตัวอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับ ผมจะให้ท่านกลับตัวช้าๆแต่ในระหว่างกลับตัวช้าๆลองสังเกตความรู้สึกที่ปรากฏที่ร่างกายเอาแค่ร่างกายนะครับยังไม่เอาจิตใจนะครับกลับตัวช้าๆแล้วหันหน้ามาหาผมเหมือนเดิมลองสังเกตที่ว่าระหว่างกลับตัวรู้สึกร่างกายเป็นอย่างไรกลับตัวช้าๆแล้วหันหน้ามาหาผมเชิญครับคุณนกช่วยส่งไมไปด้านหลังหน่อยครับ ด้านหลังใครก็ได้ครับแล้วแต่คุณนกต้องการเอาล่ะครับทุกครั้งที่ผมถามท่านผู้ใดผู้หนึ่งเสมือนหนึ่งถามทุกท่านนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับน้องอ้อมน้องอ้อมเปิดใหม่นิดหนึ่งค่ะชื่ออ้อมค่ะน้องอ้อมครับน้องอ้อมกลับตัวเมื่อสักครู่นี้รู้สึกร่างกายเป็นอย่างไรครับร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวขอให้คุณผู้ชายสักท่านหนึ่งเป็นตัวแทนได้ไหมครับกลับตัวเมื่อสักครู่นี้รู้สึกร่างกายเป็นอย่างไรครับร่างกายมันหมุนครับ ร่างกายหมุนหมุนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ใดที่กลับตัวแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยท่านกลับใหม่ได้นะครับท่านกลับใหม่ได้เพราะนี่ภาคปฏิบัติแล้วนะครับอีกสักหนึ่งท่านเป็นตัวแทนกลับตัวเมื่อสักครู่นี้รู้สึกร่างกายเป็นอย่างไรครับทุกคนมีร่างกายตัวเองไม่ต้องไปดูร่างกายคนอื่นครับกลับตัวเมื่อสักครู่นี้รู้สึกร่างกายเป็นอย่างไรครับหรือไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยกลับใหม่สิครับลองกลับใหม่ตอนนี้เลยลองกลับใหม่ช้าๆสิครับลองกลับตัวใหม่ๆเห็นไหมสังเกตไหมรู้สึกร่างกายมันเป็นยังไง ร่างกายหมุนค่ะหมุนถูกต้องครับนะครับโอเคนะตอนที่ท่านยืนอยู่เฉยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านลองสอยเท้าอยู่กับที่ช้าชานะครับลองดูนะครับลองสอยเท้าอยู่กับที่ช้าชาในระหว่างที่ท่านสอยเท้านี่ร่างกายมันเคลื่อนไหวหรือนิ่งครับเคลื่อนไหวท่านหยุดนะครับพอท่านหยุดปั๊บถามว่าร่างกายนิ่งหรือเคลื่อนไหวครับนิ่งเห็นไหม รวยองค์ับองรูมรวมนะร่างกายม so ันมีนิ่งกับเคลื่อนไหวโดยภาพรวมฉะนั้นตอนที่ท่านยืนเฉยๆร่างกายมันก็นิ่งแต่พอท่านกลับตัวร่างกายมันก็เคลื่อนไหวจะเรียกว่าโอนเอ็นจะเรียกว่าหมุนหมุนจะเรียกว่าขยับขยับเรียกอะไรก็ช่างแต่เราเรียกสะอันเดียวกันว่ามันเคลื่อนไหวก็แล้วกันถูกไหมครับเมื่อสักครู่นี้ท่านกลับตัวแต่ว่าลืมตาบัดนี้ผมจะให้ท่านหลับตาแล้วกลับตัวลองสังเกตสังเกตเปรียบเทียบว่า ระหว่างลืมตาแล้วกลับตัวกับหลับตาแล้วกลับตัวอย่างไหนแบบไหนจะรู้สึกร่างกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ชัดเจนกว่ากันหลับตาแล้วกลับตัวได้เลยครับถามเป็นภาพรวมๆท่านผู้ใดรู้สึกว่าหลับตาแล้วกลับตัวจะรู้สึกร่างกายขยับเขยืนเคลื่อนไหวได้เด่นชัดกว่าการลืมตายกมมือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับท่านผู้ใดรู้สึกว่า ลืมตาแล้วกลับตัวจะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวได้ชัดเจนกว่าการหลับตายก้มือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับแบ่งเป็นสองพวกแล้วนะครับท่านผู้ใดที่ลืมตาหลับตาไม่เห็นมันแตกต่างตรงไหนเลยยกมือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับเห็นไหมหนึ่งคาถามออกมาสามคำตอบทุกทีจะเป็นอย่างนี้เสมอนะเป็นสิ่งที่น่าคิดมากการเรียนพุทธศาสนาโดยเฉพาะภาคปฏิบัติหรือภาคไหนก็ช่างนะครับหัวใจอยู่ที่คําว่าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจนี่ไปไม่รอดเลย เริ่มต้นต้องเข้าใจก่อนนะครับทุกคําถามจะมีคําตอบสุดท้ายเสมอคําตอบสุดท้ายคือหลับตาแล้วกลับตัวจะมีความรู้สึกร่างกายขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวได้เด่นชัดกว่าการลืมตาเหตุผลครับในขณะที่เราลืมตาเนี่ยมันจะถูกดึงความสนใจออกทางตานู่นก็ต้นไม้นี่ก็ผู้คนนั่นก็โต๊ะเก้าอี้มันดึงความสนใจออกทางตาจึงเกิดการใส่ใจที่กายแผ่วลงไปนิดนึงแต่ครั้งเราปิดทวารทางตา มันจึงเกิดการใส่ใจที่ร่างกายได้เต็มที่จึงรู้สึกร่างกายขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวได้ชัดเจนกว่าการลืมตานั่นเองแต่มีคําว่าแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมิได้แปลว่าทุกครั้งที่กลับตัวต้องหลับตาต่อว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ท่านเดินแล้วท่านต้องเดินหลับตาต่อว่าไม่ใช่ผมกาลังจะพิสูจน์ให้ทุกท่านได้แลเห็นว่าแม้ขนาดหลับตาแล้วกลับตัวนะ มันยังรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวได้เลยแสดงว่าการที่มันรู้สึกกายเคลื่อนไหวมิได้รู้ด้วยตาแลเห็นเพราะหลับตาแล้วทําไมมันรู้ล่ะและ้วตอบว่าเมื่อตาไม่ใช่เป็นคนรู้แล้วใครมันเป็นคนรู้ครับใจหรือจิตจิตมันเป็นผู้รู้อาการเคลื่อนไหวที่ปรากฏที่ร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นั่นเองครับเพียงแค่ท่านกลับตัวเมื่อสักครู่นี้ท่านรู้สึกกายเคลื่อนไหวท่านปฏิบัติธรรมจบแล้วครับ พราะพุทธเจ้าตรัสว่ามีสติสติแปลว่าระลึกได้ระลึกอะไรระลึกสิ่งที่ปรากฏที่กายณขณะปัจจุบันแล้วอะไรที่ปรากฏที่กายณขณะปัจจุบันคืออาการเคลื่อนไหวนั่นเองเป็นต้นเห็นไหมครับแค่ท่านรู้อาการเคลื่อนไหวตะ ก, กี้เนี่ยปฏิบัติธรรมจบแล้วนะครับพอเข้าใจได้ไหมครับด้านหลังพอเข้าใจไหมครับถ้าพอเข้าใจเชิญ น, นั่งได้ครับ เมื่อสักครู่นี้ทุกท่านยืนผมก็ตั้งคําถามว่าพอเข้าใจไหมครับท่านพยักหน้าพอเข้าใจผมบอกว่าถ้าพอเข้าใจเชิญ น, นั่งครับมีท่านผู้ใดบ้างเมื่อสักครู่นี้ขณะที่นั่งลงรู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวลงแบบนี้บ้างยกมือขึ้นหน่อยสิครับแต่ที่ไม่ยกก็ขาดสติเกือบหมดห้องเลยนะครับเห็นไหมเวลาที่เรานั่งอยู่นี่ร่างกายมันทรงตัวนิ่งเวลาที่เราลุกขึ้นร่างกายเป็นไงครับเคลื่อนไหวเวลาเรานั่งลงร่างกายเป็นไงครับเคลื่อนไหวเวลาที่เรายืนร่างกายมันเป็นไงครับ นิ่งๆพอเราเดินร่างกายเป็นไงครับเคลื่อนไหวเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เองเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับขอให้ทุกท่านนั่งตัวตรงแล้วก็นั่งให้นิ่งๆเรียกว่านิ่งที่สุดที่คิดว่าตนเองนั่งนิ่งได้กันแล้วกันพองนิ่งๆเสร็จปั๊บให้ท่านลองสังเกตสิครับว่าแม้ร่างกายมันจะนั่งนิ่งๆมีส่วนใดของร่างกายบ้าง เอาเฉพาะร่างกายนะครับยังไม่เอาจิตใจนะครับมีส่วนใดของร่างกายบ้างที่ท่านรู้สึกได้ว่ามันไม่นิ่งครับอกอกเป็นไงครับอกมันกระเพื่อมได้ใช่หนึ่งแล้วนะอกมันกระเพื่อมได้แม้นั่งนิ่งๆแต่ไอ้เจ้าอกมันไม่นิ่งนอกจากอกแล้วมีอะไรครับท้องโอเคท้องพอ ง, ท, องท้องยุบได้สองแล้วนะครับแล้วนอกจากสอท้องพองยุบมีอื่นไหมครับลมหายใจ ลมหายใจใช่ไหมครับลมหายใจเข้า ล, ลมหายใจออกถามว่าลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่ท่านผู้ใดบอกมันก็อันเดียวกันนั่นแหละยกมือขึ้นท่านผู้ใดบอกไม่ใช่สิ่งเดียวกันยกมือขึ้นท่านผู้ใดบอกงงงอยู่อะยกมือขึ้นแสดงว่าผมถามยากมากเลยใช่ไหมท่านสังเกตนะคำถามผมจะไม่ออกจากกายกับใจเลย คำตอบสุดท้ายลมหายใจเข้าก็อย่างหนึ่งลมหายใจออกก็อย่างหนึ่งจิต ท, ที่มารู้ลมหายใจเข้าก็อย่างหนึ่งจิต ท, ที่มารู้ลมหายใจออกก็อย่างหนึ่งคนละสิ่งคนละอย่างไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับนั่งนิ่งๆส่วนที่ไม่นิ่งที่เรารู้สึกได้ เ, รรไดเช่นอาการหน้าอกกระเพื่อมท้องผองยุบลมหายใจมีอื่นอีกบ้างไหมครับตาเป็นไงครับมันกระพริบได้ตามันก่อกลิ้งไปมาได้แค่ท่านรอเพื่อนแล้วตากับพิบปั๊บรู้สึกปุ๊บปฏิบัติธรรมจบนะครับ แค่กับพิษตานี่แหละเพราะรู้สึกสิ่งที่ปรากฏที่กายเป็นต้นนะครับอันนี้ถ้าหากว่าท่านจะฝึกเจริญสติมารู้ที่กายนะครับมารู้ที่กายสิ่งที่ท่านควรจะมาเรียนรู้ก็คือหนึ่งลมหายใจเข้าออกพราะมีตลอดเวลา 2. อ, อาการกับเพื่อมไหวที่ท้องมีตลอดเวลาสาอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนมีสลับสับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา สี่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบผ่านผิวกายเมื่อกระทบแล้วท่านจะรู้สึกเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวอันใดอันหนึ่งแน่ๆนะครับนี่กลุ่มกลุ่มของเรื่องของร่างกายซึ่งรวมทั้งอิรลียบทเคลื่อนไหวอิเลียบทย่อยด้วยที่ท่านหลวงพ่อเทียนเคยฝึกนั่นก็คืออาการเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยท่านสามารถมีสติะระลึกรู้ในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ได้แต่ชีวิตมนุษย์เรามันไม่ใช่มีร่างกายอย่างเดียวมันมีจิตใจด้วยไง ถามว่าเราสามารถรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นที่จิตใจได้บ้างครับเช่นถามเรื่องใจนี่ตอบช้านิดหนึ่งแต่เราต้องการให้คนรู้ใจแต่ใจตัวเองไม่ค่อยรู้จักมันเนาะจริงไหมสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจเช่นยกตัวอย่างความดีใจเสียใจตื่นเต้นโกรธหงุดหงิดเศร้า เยอะนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจเยอะมากเลยนะผมจะสรุปให้ท่านนะครับสิ่งที่ท่านสามารถรู้สึกสิ่งที่ปรากฏที่ใจได้เช่นโลภโกรธหลงสุขทุกข์เฉยๆเบือ่อเหงาเศร้าเซงเง ง, งงงสงสัยอิจฉาริษยาเกลียดเคียดแค้นอาฆาตชิงชังหวงห่ว ง, ห, วงหึง ตื่นเต้นตกใจประมากรัวจิตที่มีเมตตาจิตที่มีกรุณาจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเพียบเลยแต่ทุกๆุกตัวที่เกิดขึ้นบนเวทีใจล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเลยเพราะมันตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษ์เห็นไหมครับนี่คือความจริงที่เราจะมาเรียนรู้ในเชิงของวิปัสสนาต้องเรียนรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจ ผมใช้คําว่าสภาวธรรมมีท่านผู้ใดบ้างที่ยังไม่ทราบความหมายของคําว่าปรมัตธรรมหรือสภาวธรรมช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับก่อนที่จะอธิบายความหมายคําว่าปรมัตธรรมหรือสภาวธรรมเป็นอย่างไรคือคืออะไรนะครับขออนุญาตอธิบายสิ่งที่อยู่ตรงข้ามบัญญัติธรรมสมมุติบัญญตัติคือของจริงที่มีอยู่ม่จริง สมมติบัญญัติคือของจริงที่มีอยู่ไม่จริงปรมตัตธรรมสภาวะธรรมสภาพธรรมสามคำนี้มีความหมายเหมือนกันคือของจริงที่มีอยู่จริงๆนี่ผมพูดภาษาไทยแล้วใช่ไหมครับบางท่านก็ยังกงก้งงงๆอยู่ใช่ยกตัวอย่างสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติเป็นภาษานะครับเช่นภาษาไทยเรียกว่าหิวข้าวภาษาอังกฤษเรียกว่า ฮังกีภาษาจีนเรียกว่ามีคนจีนไหมครับคนจีนเรียกว่าอะไรครับตู้ขุงเนาะตู้ขู่สมมุติว่าพวกเราเนี่ยพระอาจารย์มหาดิเรเอกท่านอยู่ประเทศไหนครับอเมริกาอุ๊ยท่านก็เลยเมตตาพวกเรามากเลยให้เราไปปฏิบัติธรรมที่อเมริกาทั้งหมดเลยพวกเราก็เลยแห่กันไปที่อเมริกาเสร็จปุ๊บพอมีไปถึงแล้วหิวข้าวไงก็เลยให้ใครคนใดคนหนึ่งนี้เป็นตัวแทนไปเจอฝรั่งแล้วก็ไปพูดกับฝรั่งว่า ไอแอหิวข้าวถามว่าฝรั่งฟังรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องแสดงว่าฝรั่งฉลาดน้อยกว่าเราใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะคําว่าหิวข้าวฮังกี้โต้ขุงเป็นสมมุติบัญญัติเป็นของจริงที่มีอยู่ไม่จริงเพราะจริงแบบสมมุติเอาสมมุติเรียกขานในชุมชนสังคมตําบลประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเห็นไหมครับนี่คือสมมุติบัญญัติตรงข้ามปรมัตรธรรมสภาวธรรมสภาพธรรม สามคำนี้มีความหมายเหมือนกันคือของจริงที่มีอยู่จริงจริงเช่นอาการหิวความรู้สึกหิวไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่แคกไทยจีนฝรั่งหากเขามีอาการหิวหรือมีความรู้สึกหิวปรากฏขึ้นเขาจะมีความรู้สึกหรืออาการเหมือนกันไหมครับเหมือนกันโดยไม่สำคัญมั่นหมายว่ามันจะต้องเรียกชื่อว่าอะไรการเจริญวิปัสสนาต้องรู้สภาวธรรม เป็นอารมณ์การเจริญสมถะรู้บัญญัติธรรมเป็นอารมณ์ส่วนใหญ่เห็นไหมครับเช่นยกตัวอย่างบัญญัติธรรมพุทโธเป็นบัญญัติไหมครับพุทโธเป็นคําพูดไหมครับเป็นคําพูดพุทโธเป็นบัญญัติพองหนอยุบหนอเป็นคําพูดไหมครับพองหนอยุบหนอเป็นบัญญัติสัมมาอรหังเป็นคําพูดไหมครับสัมมาอรหังเป็นบัญญัติกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นอารมณ์ของการเจริญสมถะไม่ใช่วิปัสสนา ทีนี้ขยับมาเรื่องปรมัตาธรรมสภาวธรรมแล้วถามว่าลมหายใจมีจริงไหมครับมีจริงลมหายใจเป็นสภาวธรรมอาการเคลื่อนไหวมีจริงไหมครับอาการเคลื่อนไหวเป็นสภาวธรรมเวลาท่านนั่งนานๆเมื่อยมีไหมครับเมื่อยเป็นสภาวธรรมเวลาที่ท่านฟังธํามนี้เบื่อได้ไหมครับได้เบื่อเป็นสภาวธรรมเวลาฟังธรรมมีความสุขได้ไหมครับความสุขเป็นสภาวธรรมเวลาฟังธําฟุ้งได้ไหมครับความฟุ้งเป็นสภาวธรรม เป็นต้นฉะนั้นการเจริญวิปัสนาต้องรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจวงเล็บเท่านั้นจึงจะเรียกว่าการเจริญวิปัสนาภาคทฤษฎีแห่งการปฏิบัติโดยย่อทั้งสมถวิปัสนาได้แยกแจกแจงให้ท่านได้เห็นแล้วนะครับพอที่ท่านจะได้เข้าใจได้ผมอยากจะได้ตัวแทนในการสาธิตการเจริญวิปัสนาโดยการดูกายดูจิตว่าจะทาอย่างไรใครเชิญครับคุณแก้วเชิญให้หน่อย เชิญขึ้นมาเลยอ ข, อขอเสียงขอเสียงปรบมือให้กับน้องคนนี้หน่อยได้ไหยครับขอไมโครโฟนด้วยนะไมโครโฟนด้วย <c oughs> ไม่ลอยอยู่ที่ไหนครับไม่ลอยโอเคข อ, ขอเชิญมาด้านหน้าเลยครับจสวัสดีครับขอน้องมันยืนข้างๆผมนะครับยืนมุมนี้ก็ได้ถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรครับข้าวตู่เปิดใหม่นิดหนึ่งครับขยับขึ้น ข้าวตูค่ะชื่อน้องข้าวตูนะครับผมถามว่าน้องข้าวตูเนี่ยนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วผมก็เชิญให้ออกมาหน้าเวทีถามว่าน้องข้าวตูเวลาเดินออกมาข้างนอกเนี่ยรู้สึกตัวหรือลืมตัวครับรู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวรู้สึกอย่างไรครับก็มองใจตัวเองตื่นเต้นฟังนะครับผมตั้ง ท, ท่านจับคำถามและคำตอบนะครับผมถามว่าน้องเข้าตูนี่ผมเชิญออกมาอยู่ด้านหน้าชั้นเนี่ยน้องเข้าตูรู้สึกตัวไหมนี่คือคำถามน้องเข้าตูตอบว่ารู้สึกตัวค่ะผมถามต่อว่ารู้สึกตัวอย่างไรน้องเข้าตูบอกรู้สึกว่าใจมันตื่นเต้นในเชิขงของวิปัสสนาน้องเข้าตูรู้ว่าใจตื่นเต้นถูกหรือผิดครับถูกครับความตื่นเต้นเป็นสภาวะธรรมแต่ถ้าบอกว่าน้องเข้าตูรู้ว่ากําลังเดินออกมาหน้าชั้นในเชิงวิปัสสนาถูกหรือผิดครับ ผิดเลยครับเพราะเป็นภาษาหนูกําลังเดินออกมาหน้าชั้นถ้าเป็นสมถะต่อว่าถูกถ้าเป็นวิปัสนาต่อว่าผิดเห็นไหมครับเพราะว่าสมถะต้องเป็นบัญญัติมีภาษามีตัวตนบุคคลเราเขามีเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะเลยแต่ถ้าเป็นวิปัสนารู้แค่สภาวะที่ปรากฏ ท, ที่กายหรือที่ใจเท่านั้นน้องเข้าตัวรู้สึกอาการตื่นเต้นอาการตื่นเต้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจแต่ถ้าสมมติน้องเข้าตัวรู้ สภาวัาธรรมที่เกิดขึ้นที่ร่างกายจะต้องรู้สึกร่างกายเป็นไงครับเคลื่อนไหวฉะนั้นมิได้แปลว่าต้องรู้กายอย่างเดียวอะไรก็ตามที่มันปรากฏโดดเด่นมันจะกระโดดไปรู้สิ่งนั้นได้เองเห็นไหมครับทีนี้ถามน้องเข้าตู่ว่าน้องเข้าตู่ครับความตื่นเต้นนี้หนูเชิญมันมาไหมครับไม่ได้เชิญคะ่ะฉันเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าเชิญนะเข้ามาเองจริงๆมันไม่ได้มาเองนะ ศาสนาพุทธไม่มีคําว่าบังเอิญไม่มีนะครับเพลงบังเอิญไม่มีในศาสนาพุทธนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเพราะถูกเชิญออกมาเป็นเหตุปัจจัยจึงเกิดผลคืออาการตื่นเต้นตอนนั่ง น, น้องเข้าตูนั่งอยู่ตรงนั้นตื่นเต้นไหมคะไม่ไม่ตื่นเต้นเห็นปะเสร็จปุ๊บนี่ตอนนี้อาการตื่นเต้นที่น้องน้องข้าตูสังเกตความตื่นเต้นตอนนี้เนาะความตื่นเต้นตอนนี้เนี่ย มันมากขึ้นหรือว่ามันลดลงครับลดลงค่ะความตื่นเต้นลดลงเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับมันกําลังแสดงอนิจจังไม่เที่ยงน้องข้าตูทําให้ความตื่นเต้นเท่าเดิมเท่าเก่าได้ไหมครับไม่ได้แล้วไม่ได้มันกําลังแสดงทุกขังทนอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้น้องข้าตูบังคับความตื่นเต้นให้มันหายในบัดเดี๋ยวนี้ทําได้ไหมครับ ไม่ได้ไไม่ด้เพราะมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้น้องข้าตู่บอกสั่งให้เองตื่นเต้นเยอะเหมือนเดิมกําลังสนุกเลยสั่งมันได้ไหมครับสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เห็นนะจะให้มันหมดก็ไม่ได้จะให้มันเพิ่มก็ไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สภาวธรรมจึงจะแสดงไตรลักษณ์สำหรับบัญญัติธรรมไม่แสดงไตรลักษณ์ครับนี่แหละครับทําไมจะต้องมารู้สภาวธรรมน้องข้าตู่ครับดูจากบุคลิกหน้าตาท่าทางหนูนี่เป็นคนชอบร้องเพลง ถ้าจะให้หนูร้องเพลงสักหน่อยหนึ่งพอไหวไหมครับหนูสังเกตเขาเชิญให้ร้องเพลงใจมันเป็นยังไงตอนเนี้ยอขนาดนี้สังเกตทันไหมก็ไม่ตื่นเต้นเท่ากับตอนลุกขึ้นแต่ว่ามันมีอาการตื่นเต้นใหม่ไหมค่ะตื่นเต้นเก่าดับไปแล้วนี่คือตื่นเต้นใหม่ <laughs> <laughs> ตื่นเต้นใหม่รู้มันใหม่หรือบางคนเขาเกิดชอบร้องเพลงอ่ะเขาอาจจะไม่ตื่นเต้นมีความสุขอาจารย์เชิญให้ร้องเพลงมันกลายเป็นมีความสุขก็ได้รู้ว่าใจมันมีความสุขเป็นต้น เห็นไหมครับแต่บอกว่าน้องข้าตู่ไม่ต้องร้องเพลงก็ได้รู้สึกใจเป็นไงครับก็ค่อยๆลงมานี่อ่าลุ่งอกเห็นไหมลุ่งอกอาการตื่นเต้นดับไปแล้วอาการลุ่งอกโผล่ขึ้นมาแทนที่แต่อาการลุ่งอกเดี๋ยวมันก็จะจืดลงไปเหมือนเดิมนะทุกสภาวะที่เกิดขึ้นบนเวทีกายเวทีใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเลยนี่คือตัวสังเกตให้ท่านเห็นนะครับน้องข้าตู่ครับถ้าสมมุตินะสมมติมีคนเดินมาแล้วเขาทักเราอะ สวยจ้งเขาเขาพูดว่าสวยจังหนูจะตอบเขาว่าไงคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสังเกตนะฮะสังเกตนะ <c oughs> เสียงกระทบหูแล้วมันแปลความหมายว่าชมชันถามว่าใจมันฟูหรือใจแฟบครับอ <c oughs> ใจฟูให้รู้ว่าใจฟู <c oughs> ปฏิบัติธรรมจบแล้วแต่ก่อนนี้มันไม่มีอาการฟูใจนะเพราะมันถูกชมไงถูกชมปุ๊บมันมีปฏิญาณปุ๊บปุ๊บขึ้นมาใจฟูให้รู้ว่าใจฟูแต่พอเขาพูดใหม่เปล่าไม่ได้ชมว่าน้องเขาตูสวย ชมนาฬิกาหรือว่ามันสวยใจฟูหรือใจแฟบครับใจแฟบใจแฝบให้รู้ว่าใจแฟบเป็นต้นเห็นไหมครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีคนชมไหมครับนี้ก็ใจฟูก็ให้รู้ว่าใจฟูมีคนตําหนิด่าว่าไหมครับนี้ใจแฟบให้รู้ว่าใจแฟบนี่แหละครับท่านปฏิบัติในชีวิตประจําวันการฝึกแบบนี้คือฝึกแบบรูปแบบเพื่อให้เป็นฐานเวลาอยู่ในชีวิตประจําวันมันต้องจเจริญสติได้ด้วยในชีวิตจึงจะเกิดประโยชน์เกื้อกูลกันเป็นต้น น้องเข้าตู้ครับหนูชอบคนหลายใจไหมครับไม่ชอบค่ะไม่ชอบคนหลายใจเหรอครับถามสุภาพสตรีทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้มีปริมาณมากกว่าสุภาพบุรุษเทพบุตรเหลือน้อยเทพธิดามากหรือเปินเทวธิดาทั้งหลายสุภาพสตรีทั้งหลายชอบคนหลายใจไหมครับไม่ชอบสุภาพบุรุษแม้มีน้อยก็ขอถามเนาะสุภาพบุรุษชอบคนหลายใจไหมครับอะชอบเหรอฮูเวลฮูเวล ท่านจะชอบคนหลายใจหรือไม่ชอบคนหลายใจโปรดฟังทางนี้สังคนหลายใจสร้างคนลา ใจไม่ต้องสั่งใครสั่งใจตัวเองนี่นาะเดียวมันก็สุขเดียวทุกกลับกรอกไปมาล้วนเป็นมายาที่พาให้ใจระทมขอบคุณครั บ, บถามว่าใครหลายใจ เราน้องเข้าตูไม่ชอบคนหลายใจตั้งแต่ตื่นเต้นเยอะจนตื่นเต้นน้อยแล้วก็ตื่นเต้นมาใหม่แล้วก็ล่วงอกเห็นไหจิตใจมนุษย์เปลี่ยนตลอดเวลาเห็นไหมครับทุกสภาวะเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนตลอดเวลานี่แหละครับเรียกว่าหลายใจกลับมาดูใจตัวเองนั่นเองพอเข้าใจได้ไหมครับพอเข้าใจหครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องเข้าตูอีกครั้งครับ น้องเข้าตู้เดินกลับไปรู้สึกตัวหร o, ือล okay? ืมตัวครับเห็นไหมรู้สึกตัวก็ได้ลืมตัวก็ได้การปฏิบัติธรรมมิได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติตลอดเวลานะครับทําไม่ได้นะครับอย่าทําตัวเป็นพระอรหันนะพวกเรานี่มันต้องรู้รู้เผลอแต่สัดส่วนเผลอมันจะเยอะกว่ารู้นะ จริงมะนี่ค <Technical lazy conscious> <ng> <Bild number> ือสัจจะความจริงนะจริงมะของเรานี่รู้รู้เพอเอเพอเอรู้รู้เพอเพเเเอห็นไหมแต่ขอให้มันมีช็อตรู้เข้าไปแทรกบ้างเรากําลังมือใหม่หัดขับจริงมหปกติเราทําอะไรไปด้วยความเคยชินทีนี้เราก็เอาความเอาความรู้สึกตัวใส่เข้าไปในความเคยชินบ้างใช่ไหมครับเช่นยกยกยกัวอย่างว่าพอเราจะลุกก็ลุกพวดเลยให้มันรู้สึกตัวบ้างถึงอาการกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเป็นต้นนั่นเองพอเข้าใจได้นะครับทีนี้ก็อยากจะ เดี๋ยวผมเลือกดูนายกาว่าเหลือกี่มากมากน้อยออโอเคพอมีเวลานะครับตอนนี้มีคำถามไหมครับคือสาคัญที่สุดนะครับท่าน ส, สังเกตนะครับการเรียนเรียนจบจบที่ไหนการเรียนเรียนจบจบที่เข้าใจครับ การเรียนจบไม่ใช่ว่าอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วเรียกว่าจบไม่ใช่การเรียนจบไม่ใช่ว่าเรียนพระอภิธรรมตั้งแต่ปริเชนที่หนึ่งถึงปริเชนที่เก้าเรียกว่าเรียนจบไม่ใช่การเรียนจบไม่ใช่เรียนตั้งแต่บาลีถึงประโยคที่เก้าประโยคหนึ่งถึงเก้าเรียกว่าเรียนจบไม่ใช่ครับถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจถือว่าไม่จบการเรียนจบจบที่เข้าใจการปฏิบัติจบจบที่ไหนทราบไหมครับจบที่ผลถูกครับ ตราบใดที่ยังไม่พ้นทุกการปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่จบนะครับการฟังฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่การปฏิบัติปฏิบัติให้เข้าไปอยู่ในใจเข้าใจกับเข้าไปอยู่ในใจนี่คนละรสชาตินะครับการฟังฟังเพื่อรู้จําแต่การปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรู้จักรู้จํา ก, กับรู้จักก็ไม่เหมือนกันอีกละเห็นไหมครับฉะนั้นขั้นฟังเนี่ยฟังทฤษฎีฟังปริยัต แต่ถ้าไม่ลงมือเข้าไปเรียนรู้ความจริงแล้วท่านจะไม่รู้ว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรครูบาอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําท่านว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวนะอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับกายอยู่กับใจนะถ้าหากว่าเราไม่น้อมไปฝึกปฏิบัติเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือพระอาจารย์ท่านให้ความรู้เมตตาให้พวกเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราจะไม่รู้ได้เลยจนกว่าว่าเราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ คืออ่านกายอ่านใจเดิมทีก็อ่านหนังสืออ่านตำรับตำราอ่านคำสอนของผู้เจ้าอ่านคำสอนของครูบาอาจารย์สุดท้ายต้องกลับมาอ่านกายอ่านใจครับเพราะอย่าลืมนะครับความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้เป็นปัญญาของเราหรือเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าครับปัญญาพระพุทธเจ้านะ สิ่งที่เราเรียนทั้งหมดนี้เป็นปัญญาพระพุทธเจ้ายังไม่ใช่ปัญญาของเราต่อเมื่อน้อมนําเอาปัญญาของพระเจ้ามาฝึกปฏิบัติตนจึงเกิดปัญญากับตนเองให้ได้เห็นไหมครับบางทีมิได้แปลว่าจําพระไตรปิฎกหมดแล้วเป็นปัญญาตัวเองหมดอันนั้นจําปัญญาพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าตราบใดยังไม่เห็นความจริงสัจจะตรงนี้ที่กายที่ใจแล้วนี่ถือว่าปัญญานั้นยังไม่เกิดแค่จําปัญญาของพระอาจารย์จําปัญญาของพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นสําคัญที่สุด พระพุทธเจ้าจงตรัสสอนว่าปัญญาเนี่ยจะต้องมีคําว่าศึกษาเรื่องปริยัติก็คือทฤษฎีปริยัติอย่างเดียวหรือเปล่าเปล่าพระุทธเจ้าสอนเรื่องปฏิบัติเมื่อปริยัติเข้าใจถูกต้องปฏิบัติได้ถูกทางปฏิเวทผลก็ปร า, ปรากฏขึ้นเองเห็นไหมครับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วพระพุทธเจ้าก็แบ่งปัญญาเป็นสามระดับด้วยหนึ่งสุตามายปัญญา ปัญญาอันเกิดจากการฟังปัญญาอันเกิดจากการอ่านนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นคือการฟังและการอ่านสองจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังมาแล้วพิจารณาให้ควรไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลนี่เป็นจินตามยปัญญาแล้วก็สามภาวนามยปัญญาภาวนาภาวนามยปัญญานี้คือมาเรียนรู้สภาวธรรมที่เกิดที่กายที่ใจตามความเป็นจริงนักขณะปัจจุบันแล้วเห็นสภาวธรรมที่เกิดนั้นเป็นไตรลักษ คำว่าตามความเป็นจริงนะ่ะแปลว่าเห็นไตรลักษณ์นะครับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นจึงเรียกว่าภาวนามยะปัญญาแต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงนั้นนะ่ะมันก็ยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่พาให้พ้นทุกข์ได้แต่จะไปดูถูกสองปัญญาแรกไม่ได้ครับสูตรามยะปัญญาต้องฟังต้องอ่านเพราะหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าในโลกในจักรวาลทั่วทุกๆจักรวาลก็ตามมีเพียงแค่มหาบุรุษสองมหาบุรุษเท่านั้นที่ไม่ต้องเรียนกับใคร หงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่ต้องเรียนกับใครสองพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นกันแต่ไม่ได้สั่งสมบุญบา ร, รมีที่จะตั้งพระศาสนาสองพระองค์นี้เท่านั้นที่ไม่ต้องเรียนกับใครเลยเพราะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่นอก น, นั้นทั้งหมดจะด้นเดาทำเอาเองไม่ได้ต้องเรียนรู้หลักคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะพวกเราตราสัสรู้ไม่เป็นเห็นไหมครับจึงจําเป็นต้องเรียนมันก็จะมีคํานึงบอกว่าสมมติ เราจะเดินทางไปไหนดีเชียงใหม่การเดินทางไปเชียงใหม่เราจําเป็นจะต้องอ่านแผนที่ว่าเราจะต้องมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะถึงจะไปถึงเชียงใหม่ได้การอ่านแผนที่ก็เหมือนการอ่านตำรับตำราหรือคําสอนของผู้เจ้านั่นแหละคือดูแผนที่แต่บอกไม่เอาแผนที่ฉันไม่สนฉันจะเดินลูกเดียวขยันเดินจงกรมขยันนั่งสมาธิกว่าจะรู้ตัวอีกทีนาราทิวาท ทำไมมันจะไปเชียงใหม่แต่มันไปโพนาราธิวาสได้ไงนั่งสมาธิก่อนนั่งไปหาผิดเดินจงกรมก็เดินไปหาผิดหลวงทางไปอยู่นาราทิวาสกว่าจะรู้ตัวอีกทีไอยาต้องเดินทางจากนาราธิวาสมาแบงคอกกรุงเทพแล้วต้องเดินทางไปเชียงใหม่อ้อมโลกเลยเสียเวลาศึกษาพื้นฐานหลักการปฏิบัติที่ผู้บุญทรงตรสอนเนี่ยเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามปริยัตจึงต้องเคียงคู่กับปฏิบัติ ปรยัตเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ปฏิบัติเดินทางแล้วไม่หลงนั่นเองเป็นต้นผมยกตัวอย่างสมมติเราไม่ได้ศึกษาปริยัตเลยเขาบอกว่านี่เธอถ้าเธอไปเจริญวิปัสสนานะเธอจะเห็นนรกสวรรค์เธอจะเห็นเจ้ากรรมในเวรเธอจะนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยถ้าถามว่าการทําแบบนั้นเป็นวิปัสสนาหรือไม่คําตอบคือไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนํานี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนการเจริญวิปัสสนาจะต้องเห็นสภาวธรรมเป็นไตรลักษณ์ครับ ไม่ใช่เห็นสวรรค์นรกไม่ใช่เห็นเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่ไปสะดาะข้อกรรมไม่เกี่ยวกับตรงนั้นเลยเห็นไหมครับพอเราได้หลักคําสอนพระเจ้าแล้วเวลาที่เราฟังหรือเราศึกษาหรือได้ยินเนี่ยเราจะไม่หลงเราจะไม่หลงทางเป็นต้นฉะนั้นสาระสําคัญนะครับในการปฏิบัติเริ่มต้นจะต้องเกิดความเข้าใจคําว่าเข้าใจนี้หมายเอาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนั่นเองถ้าสัมมาทิฏฐิ ด้วยการฟังเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาเดินทางมันจะไม่เข้าป่าเข้าพกเข้าเข้ารกเข้าพรงนะครับเป็นต้นนะครับมีคำถามในช่วงนี้ไหมครับเชิญได้นะครับก่อนที่จะขยับไปในเรื่องอื่นก็อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสถามเพราะว่าเราตั้งประเด็นว่าเราจะมาสนทนากัน มีอะไรที่ไม่เข้าใจท่านสามารถถามได้เวลาที่ท่านถามผมก็จะเป็นผู้ตอบถ้าผมตอบได้ผมจะตอบถ้าผมตอบไม่ได้ผมจะถามพระอาจารย์พระหาดิเลกให้ช่วยตอบเห็นไหมฉะนั้นเรามีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ตัวไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับมีคําถามไหมครับมีไหมครับเชิญครับขอไมโครโฟนให้น้องเขาหน่อยได้ไหมครับไม่ทราบว่าเป็นคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ไหมคะเป็นปฏิบัติปฏิบัติฮะควรจะควรจะถามเรื่องปฏิบัติครับคือเออไม่ทราบว่าในการปฏิบัติ แต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายวางเป้าหมายไว้ก่อนได้ไหมคะอย่างเช่นเราเราปฏิบัติรอบแรกแล้วเราเริ่มมีความรู้สึกง่วงเบื่อพอเราเราออกจากตรงนั้นแล้วมาเราจะเริ่มรอบที่สองเนี่ยเราวางเป้าหมายไว้ว่าเราอยากจะหาวิธีหรือจัดการกับความง่วงความเบื่อเนี่ยคะ่ะ สามารถที่จะวางเป้าไว้ได้ก่อนที่จะปฏิบัติได้หรือเปล่าคะนะครับเป็นคําถามที่ดีนะผมเชื่อว่าทุกท่านอาจจะมีคําถามเช่นเดียวกันถามว่ามนุษย์เราสามารถวางเป้าได้ไหมครับได้แต่วางเป้าแล้วสําเร็จตามเป้าได้หรือต้องสาเร็จตามเป้าหรือไม่ครับบางทีก็ไม่ใช่ไหมเพราะมันอนัตตามันมีเหตุปัจจัยให้ถึงเป้ามันก็จะถึงเป้ามันมีเหตุปัจจัยไม่ให้ถึงเป้าก็ไม่ถึงเป้าสุดท้ายสังเกตนะครับผมจึง ตอนตอนที่เสวนาวันแรกผมตั้งคําถามอาผมขอตั้งคําถามใหม่นะครับท่านจับประเด็นคําถามของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คําถามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้สิ่งใดแล้วให้กําจัดอภิชาและโทมนัสอย่าหลงยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นนะเพราะสิ่งนั้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็ตามล้วนตกคืบตั้งขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์นะพระพุทธเจ้าสอนพวกเราแบบนี้คือไม่ให้ยึดถืออะไรหมดนะครับทินสังเกตเวลาที่พวกเราปฏิบัติเนี่ยพอนั่งปุ๊บ สิ่งที่ปรารถนาคือความสงบจริงมหมเราตั้งเป้าเลยความสงบเลยถ้าถามว่าความฟุ้งซ่านดีไหมครับความฟุ้งซ่านดีไหมครับมีทั้งพยักหน้ามีทั้งใส่หน้าความฟุ้งซ่านดีไหมครับส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจไม่ดีความสงบดีไหมครับดีใจเราไม่เป็นกลางตั้งแต่ยังไม่ปฏิบัติเห็นหรือยังพอนั่งปุ๊บเราตั้งเป้าไงมันต้องสงบแล้วถ้ามันไม่สงบอ่ะ มันให้อะไรความทุกข์คือผิดหวังไงจริงๆการปฏิบัติธรรมนะครับเวลาที่เราปฏิบัติธรรมที่ผมตัง้งคำถามเวลาเราจเจริญสติปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเราเคยเชิญความฟุ้งมาไหมครับไ ม, ไม่นะมันมีเหตุปัจจัยความฟุ้งมามันมาเองนะแล้วเวลาความฟุ้งมันหายนี่เราเชิญมันไปไหมครับไม่นะมันมีเหตุปัจจัยให้หายมันก็หายมีเหตุปัจจัยให้มามันก็จะมานะฉะนั้นการเจริญภาวนานี่นะครับท่านตั้งเป้า ลักษณะว่าอย่าว่าจะต้องได้ตามเป้านั้นเราต้องมองว่าจุดสูงสุดของพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์นั่นคือเป้าอันสูงสุดแต่ในระหว่างที่ท่านปฏิบัติอย่ามุ่งสู่ความพ้นทุกข์ถ้าท่านเร่งสู่ความพ้นทุกข์มันมีตันหาแอบอยู่ข้างหลังตันหาเป็นสาเหตุทําให้เกิดทุกข์นะครับผมก็จะยกตัวอย่างว่าเวลาที่ท่านนั่งเจริญภาวนาจิตที่ฟุ้งซ่านไม่มีปัญหาจิตที่สงบไม่มีปัญหานะจิตที่สงบเป็นอาการของจิต จิตฟุ้งซ่านเป็นอาการของจิตแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจิตสงบหลงรักความสงบเป็นโลภะครับนี่คือกิเลสนะครับจิตฟุ้งซ่านไม่มีปัญหาแต่พอจิตฟุ้งซ่านเกลีดยดมันนักไม่ชอบฟุ้งซ่านไอ้ตรงไม่ชอบฟุ้งซ่านเป็นโทสะนะครับท่านต้องมารู้ทันความไม่ชอบความฟุ้งซ่านรู้ทันความชอบความสงบเห็นไหมครับสงบกับฟุ้งซ่านสองอาจารย์นี้ผมใช้กับว่าอาจารย์สงบกับอาจารย์ฟุ้งซ่านสองตัวนี้ สอนธรรมะเท่ากันเลยสอนอะไรสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนความไม่เที่ยงและเหตุฉนไหนต้องรักอาจารย์สงบด้วยแ ล, วและเกียดอาจารย์ฟุงซ่านอะ่ะอาจารย์ฟุงซ่านก็สอนธรรมะอันเดียวกันอาจารย์สงบก็สอนธรรมะอันเดียวกันฉะนั้นไม่รักใครไม่เกลียดใครใจจึงเป็นกลางท่านหลงรักใครหลงเกลียดใครใจไม่กลางนะครับการรู้สภาวะธรรมใดคือกําจัดอภิชาและโทมนัสสำนวนครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะบอกรู้ด้วยใจเป็นกลาง อีกสำนวนหนึ่งรู้แล้วอย่าให้ค่าบวกหรือลบอีกสำนวนหนึ่งรู้แล้วอย่าแทรกแซงดัดแปลงแก้ไขหรือก้าวไก่ใดๆมันทั้งสิ้นเห็นไหมครับนี่คือรู้ด้วยใจที่เป็นกลางทั้งหมดการรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนั่นแหละจึงจะเห็นสภาวะธรรมแสดงไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงของมันโดยที่เราไม่ดัดแปลงกายดัดแปลงจิตเลยเห็นไหมครับนี่คือเราเรียนรู้โดยธรรมชาติอย่าลืมนะครับภาวะนิพพานเนี่ยคือภาวะแห่งการ สิ้นการปรุงแต่งหรือว่าไร้การปรุงแต่งถ้าเราปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตมันจะไม่จะเอ๋กับสิ่งที่ไร้การปรุงแต่งมันคนละขั้วกันฉะนั้นท่านจะได้กุ้มใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องสงบสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้สงบแล้วยังไงอะสงบแล้วดูไอ้ความสงบสิว่ามันเที่ยงไหมละ่ะเฮ้ยสงบมันไม่เที่ยงฮะก็เห็นสงบความสงบแสดงไตรลักษณ์ก็เป็นวิปัสสนาว่าฟุงาฟ้งซ่านล่ะเฮ้ยฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงฮะก็เห็นความฟุ้งซ่านแสดงไตรลักษณ์ ก็เห็นก็เห็นเชิงของวิปัสนาอยู่ดีฉะนั้นอาจารย์สงบอาจารย์ฟุ้งซ่านอาจารย์หงุดหงิดอาจารย์สุขทุกข์เฉยเฉยเชิญทุกอาจารย์สอนธรรมะอันเดียวกันหมดเลยฉะนั้นท่านอย่าตั้งเป้าว่าปฏิบัติต้องสงบถ้าท่านตั้งเป้าด้วยความสงบสิ่งที่เบื้องหลังแห่งการตั้งเป้าคือตัณหาครับกิเลสอยู่มันแอบผมมักจะใช้อีกคำหนึ่งว่ากิเลสใส่สูตรผูกเนคไทมันแลดูคนดีมาก ตัตีหนูชื่อเล่นชื่ อ, อฮะชื่อหนูมันจะบอกพี่หนูเมื่อวานนี้เธอปฏิบัติทำดีมากเลยนะถ้าคืนนี้เธอไม่นอนได้เนี่ยเอามันสว่างเลยนะอุ้ยเพอเพอตอนตีสี่ตีห้าพวกนี้นี่ปิ้งมรรลุธรรมก็ได้นะเฮ้ยแลดูมันดีมากเลยอะ่ะมันมันสอนให้ปฏิบัติใช่ไหมมันมันพายเรามีความเพียรใช่ไหมแต่อย่าลืมนะอะไรมันแอบอยู่ข้างหลังกิเลสมันฉลาดมาก มันจะบอกว่าเธออย่ามาปฏิบัตินะอย่ามาฟังพระอาจารย์มหาดิเลกนะเราไม่ยอมเราจะมาฟังเสร็จปุ๊บมาฟังมันห้ามเราไม่ได้กิเลมันมันสู้เราไม่ได้เสร็จปุ๊บมันปล่อยให้เรามันปล่อยให้หนูมาปฏิบัติทำเสร็จปุ๊บพอพระอาจารย์มหาดิเลกแล้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นสอนปั๊บที่หนูปฏิบัติได้ดีอ่ะมันสอนต่อนี่เธอคืนนี้อย่านอนอย่านอนเอาให้มันสว่างไปเลยมันอัดเราเลยมันมันเร่งสปีดอ่ะตัวเนี้อ่มันจะเร่งเราอ่ะเร่งเราอ่ะตัวเนี้ยปฏิบัติด้วยตัณหาเลยนะ ไม่เจอแน่ของจริงต้องปฏิบัติแบบที่หลวงปู่ชาท่านพูดเนะาะขยันก็ทําขี้เกียจก็ทำถามตัวเองวันนี่ขี้เกียจไหมขี้เกียจมากเลยต้ทําำไหมทำขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําทํามันไปเรื่อยๆมันมีอยู่คำคำหนึ่งนะน่าฟังมากเลยเทวดาไปทูลถามพระพุทธเจ้าท่านผู้นีร้รทุกข์คือท่านผู้หมดทุกข์สิ้นทุกข์แล้วพระองค์ทรงทําอย่างไรพระองค์ตรัสว่าไงรู้ไหม เราไม่เพียนอยู่แล้วเราก็ไม่พักอยู่เทวดางงเลยอะไรเพียนก็ไม่เพียนพักก็ไม่พักแต่ว่าอะไรงงเห็นไหมถ้าหากเพียนอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าเพียนอยู่เขาเรียกว่าเพียนโอเวอร์มันมีตันหาอย่างความเพียนเร่งสปีดอย่งความเพียนมันจะเพียนเห็นไหมครับมันมีตันหาแอบอยู่เพียนโอเวอร์ถ้าพักอยู่แล้วก็ย่อหย่อนไม่เอาและพอแล้เหนื่อยแล้วเห็นนะทั้งสองอย่างเนี่ยอันหนึ่งก็ มันก็ไม่ได้พระองค์ไม่เพียรอยู่ไม่พักอยู่ทีนี้จะอุปมาอะไรให้มันเห็นชัดตรงนี้มีนาฬิกาไหมเอ่ยไม่มีเนาะเวลานาฬิกาเนี่ยมันจะมีเข็มวินาทีเนาะเข็มวินาทีท่านสังเกตนะไอ้เจ้าเข็มวินาทีมันจะเดินเตก็ตกตก็กต็กเป็นจังหวะสม่ําเสมอไหมครับสม่ําเสมอเนาะไอ้เจ้าเข็มวินาทีไม่เคยเร่งสปีดความเร็วให้ไปถึงเลขเก้าแล้วมันไม่เคยพักที่เลขหมันเดินเตก็ก จงปฏิบัติธรรมเหมือนเข็มวินาทีนาฬิกาอย่าเร่งแต่อย่าพักรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่ารู้ได้ตลอดการรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรดีกว่าบังคับกายใจให้มันนิ่งๆถ้าบังคับกายใจให้นิ่งๆมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์พอมันไม่เห็นไตรลักษณ์มันจะละความเห็นผิดไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นท่านอย่าได้กุ้มใจจิตที่สงบกับจิตที่ตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะครับ จิตที่สงบกับจิตตั้งมั่นไม่เหมือนจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันรู้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมันก็แค่รู้ความฟุ้งซ่านดับไปมันก็รู้ความสงบโผล่มามันก็รู้ความสงบดับไปก็รู้มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆนะจิตสงบกับจิตตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเครื่องเครื่องมือที่จะเจริญวิปัสนาต้องจิตตั้งมั่นนะครับจิตตั้งมั่นมันจะเห็นบรรยากาศ บางทีในหนังสือที่ผมนํามาแจกในหนังสือใหม่แกะกล่องผมจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมจงทําตัวเป็นคุณนายอย่าทําตัวเป็นใหญ่แจ๋วการปฏิบัติธรรมจงทําตัวเป็นคุณนายอย่าทําตัวเป็นใหญ่แจ๋วเช่นคุณนายเนี่ยเช่นเช่นคําว่าคุณนายเนี่ยเราจะรู้สมมุติว่าเรามีเด็กรับใช้ที่บ้านใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าเด็กรับใช้ตอนนี้เขากําลังถูพื้นอยู่เราก็แค่เป็นคนดูว่ามันกำลังถูพื้นอยู่ เฮ้ยมันไปนอนเล่นบนโซฟาแล้วก็รู้ว่ามันนอนเล่นบนโซฟาเราเป็นคนนายแค่ดูมันจิตเนี่ยเหมือนเหมือนเด็กรับใช้หรือจิตจิตเนี่ยเหมือนเด็กดือ้อกําลังดูมันทํางานเฉยๆการเจริญวิปัสนาคือการเรียนรู้การทํางานของกายคือการเรียนรู้การทํางานของใจนะครับเรียนรู้การทํางานของมันนะไม่ใช่เรียนทํากายไม่ใช่เรียนทําใจนะครับถ้าสมถะเรียนทํากายเรียนทําใจเช่นเช่นยกตัวอย่างมีคนดา่าเราก่อน พอด่าเปรี้ยงเสียงกระทบหูมันดา่าฉันความโกรธวูบขึ้นมาเลยในเชิงวิปัสสนารู้ยังไง ร, รู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่จิตแล้วคืออาการโกรธว้าวขึ้นมาให้มีสติระลึกรู้สึกถึงสิ่ ง, งนั้นแล้วสังเกตมันแค่สังเกตมันเฉยๆนะครับความโกรธจะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแล้วก็ดับไปแต่ถ้าสมมติพวกเราเวลาโดนดา่ามันไม่สังเกตตรงจิตมันสังเกตคนดา่าไอ้นี่มันดา่าฉัน สังเกตคําพูดที่เขาด่าเราเห็นไหมครับมันส่งจิตออกนอกมันไปรู้ภาษาที่เขาด่าไปรู้บุคคลที่ด่ามันก็เหมือนประหนึ่งเอาเชื้อฟืนเชื้อไฟยัดเข้าไปในใจความโกรธยิ่งโชดช่วงชัชวานมากขึ้นการรู้ต้องรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจพอเขาด่าปั๊บรู้สึกอาการโกรธที่เกิดขึ้นที่ใจคนดายังอยู่ไหมอยู่คําดายังอยู่ไหมอยู่แต่ไม่สนใจคนด่าและคําด่าสนใจสิ่งนี้พอสิ่งนี้เราสั ง, สงเกตมันแล้วมันจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนกําลังและดับไปในที่สุด แต่เห็นไหมมีควาว่าแต่เราก็เผย อ, อีกแหละเผอเผอส่งจิตออกนอกไปไหนเองแน่แค่ไหนมาด่าฉัน <c oughs> เห็นไม่มมันส่งออกนอกมันก็ปึดปืดปื ด, เ ป, ด, เ, ปดเป็นความโกรธตัวที่สองโผล่มาใหม่รู้มันใหม่เป็นต้นฝึกรู้ฝึกดูแบบนี้บ่อยๆนะครับทำตัวเป็นคุณนายอย่าทำตัวเป็นใยเจ๋วเข้าไปดัดแปลงแทรกแซงทีนี้ในเชิงของสมถะถูกด่าเหมือนกันพอถูกด่าปรกรธไหมโกรธ โกรธเนอโกรธเนาะโกรธเนาโกรธเนอเห็นไหมเห็นไหมช่วยมีตัวช่วยนับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันพุโทโธพุทธโอพุทธโอชิ่งหนีอารมณ์ตรงนี้เป็นสมถะเป็นประโยชน์ไหมเป็นเป็นแต่เป็นแบบสมถะวิปัสนาโนตัวช่วยนะครับวิปัสนาไม่ช่วยนะครับไม่รู้ซื่อๆรู้ตรงๆ ร, รู้แบบไม่สู้ไม่หนีไม่ถอยอะ่ะรู้เฉยๆอะ่ะนี่วิปัสนาแต่สมถะนี่ชักแม่น้าตั้งห้าก็ได้คิดบวกก็ได้อย่าไปโกรธเขาเลย คนเรามันผิดพลาดทั้งเผอกันได้เราจะต้องรู้จักมันเจริญเมตตาพระท่านก็สอนไว้การเจริญเมตตาได้อา น, นิสงเยอะยิ่งกว่าทาสังฆทานสังฆทานบุญกว่าเยอะคิดไปคิดมาหายโกรธเขาเลยอันนี้มีตัวช่วยเยอะตรงนี้เป็นสมถะนะแต่ก็โอเคจริงไหมบางทีผมมักจะอุ ป, ปมายกตัวอย่างนะครับว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดขึ้นกับจิตของเราเนี่ยเช่นว่าเขาด่าแล้วกันด่าปับา๊บพอโกรธอันดับแรกให้รู้เชิงวิปัสสนาก่อนรู้ก่อน พอรู้เสร็จปุ๊บสมมติไม่ไหวไม่ไหวแรงไม่ไหวกําลังสติกําลังปปัญญาไม่ไหวเอ้ยเอาสมถะมาข่มมันไว้ก่อนพุโทโธพุโทโธพุโทโธนับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันคิดบวกคิดบวกเมตตาเมตต า, าทีนี้สมถะข่มไว้มันไม่อยู่อะท่านต้องเอาศีลห้าล็อกนะครับศีลห้านี่ก็ห้ามโกรธไหมไม่ได้ห้ามโกรธใช่ไหมโกรธมันเลยแต่ห้ามข้ามมันนะ จริงมะสี่ห้าไม่ได้ห้ามโกรธเอาสี่ห้าล็อกเลยเห็นไหมครับอันดับแรกนิพพานาก่อนอันดับที่สองสมถะข่มอันดับที่สามสี่ห้าล็อกสามอย่างนี้ทําไปแล้วสีลห้าล็อกแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ตรงนี้มันมีมีดปังตอไงมันพร้อมที่จะบินตัดคอได้ตอนนี้ถอยดีกว่าเราต้องหนีนะครับหนีออกจากบรรยากาศนั้นทันทีนะครับไม่อย่างนั้นเราจะปานาติบาตโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะหนีเลยต้องรู้จักถอยนะครับ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่ธรรมะมีหลายระดับขั้นนะครับแต่สิ่งที่สูงสุดนี้คือระดับวิปัสสนารู้ตามจริงในสิ่งที่ปรากฏแล้วทุกอย่างมันจะแ ป, ปรปลี่ยนสุดท้ายตอนที่ไปสอนที่วัดพุทธปัญญาพอสอนที่นั่นหกปีสอนเยอะมันเลยมีเรื่องราวเยอะน้องๆวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็มาเรียนเยอะนะครับเวลาเข้ามาเรียนกันเนี่ยเสร็จปุ๊บสอนสอนแบบนี้เสร็จเขาเดินมาหาอาจารย์ขาที่อาจารย์สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหนูว่ามันง่ายเกินค่ะ มันจะพ้นทุกได้ไงคะอาจารย์สอนว่ากายเป็นอย่างไรให้รู้ว่ากายเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างไรให้รู้ว่าใจเป็นอย่างนั้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้วรู้แล้วเนี่ยอย่าหลงยินดียินร้ายกับมันนะแต่ถ้าเผลอหลงยินดียินร้ายก็ให้รู้ว่าหลงยินดีหลงยินร้ายกับมันไปแล้วเพราะทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพราะมันตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เพียงแค่นี้เหรือคะอาจารย์มันจะพ้นทุกได้ไงมันง่ายเกิน มันน่าจะยากกว่านี้แตบอกได้คําสอนพระพุทธเจ้านี่ท้าพิสูจน์คําสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยหล่อชาติหน้าพิสูจน์กันเดี๋ยวนี้บัดนี้ขณะนี้เลยพวกเรามาพิสูจน์คําสอน พ, พุทธเจ้ากันหน่อยดีไหมครับขอให้ทุกท่านเอามือวางไว้ที่หน้าตักสองข้างแล้วผมจะให้ท่านยกมือขึ้นลงแบบสบายๆข้างใดข้างหนึ่งที่ท่านถนัดในระหว่างที่ท่านยกมือขึ้นลงเนี่ยให้ท่านรู้สึกถึงอาการเคลื่อนไหวนะครับท่านยกมือขึ้นลงสบายๆ ส, ส, สิครับ เห็นไหมครับท่านจะมีความรู้สึกว่ามันมีอาการเคลื่อนไหวท่านลองหลับตาแล้วยังยกมือขึ้นลงสิครับแม้หลับตาก็ยังรู้สึกอาการเคลื่อนไหวท่านลืมตาได้นะครับเอามือวางไว้กับที่นะครับเห็นไหมครับรู้สึกอาการเคลื่อนไหวถามว่าวินาทีนมื่อกี้เนี่ยที่ทุกท่านรู้สึกกายเคลื่อนไหวเนี่ยถามว่าขณะวินาทีในนั้นมีความโกรธไหมครับไม่มีมีความโลบอยากได้อยู่ในนั้นไหมครับไม่มีมีความหลงไหมครับ ไม่มีมีผู้หญิงผู้ชายอยู่ในนั้นไหมครับไม่มีมีฉันมีเธออยู่ในนั้นไหมครับไม่มีมีเขามีเราอยู่ในนั้นไหมครับไม่มีเพียงแค่เศษเสี้ยววินาทีเล็กๆที่รู้สึกตัวแบบนี้กิเลสโลภโกรธหลงยังครอบงําจิตไม่ได้เลยหากท่านรู้สึกตัวแบบนี้ได้บ่อยๆ อ, อ, อะไรจะเกิดขึ้นท่านจะสงสารกิเลสกิเลสมันจะขาสารอาหารแลตายหมดกิเลสไม่ต้องไปฆ่ามันนะทําสติปัญญาให้มันเกิดอุบ ป, ประมาความมืดในห้องนี้เหมือนดั่งกิเลส ไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาความมืดโยนออกทางประตูเอาความมืดคุยงออกไปทางหน้าต่างไม่จำเป็นแล้วทำไงอ่ะเปิดไฟสิครับแค่เปิดไฟดวงเดียวความมืดซึบหายหมดเลยเมื่อใดก็ตามที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่มันเป็นฝ่ายกุศลอกุศลครอบงาจิตไม่ได้เป็นต้นเห็นไหครับแค่นี้เองพออธิบายความยกตัวอย่างสาธิตวัยรุ่น โอเคยอมรับวัยรุ่นเวลาเขากินอาหารเขากินอาหารจานด่วนจานเด็ดแต่ว่าเรียนธรร ม, มะเขาเอาด่วนเด็ดเด็ดเหมือนกันนะอาจารย์ขาถามต่ออาจารย์ขาฝึกแบบนี้อีกนานแค่ไหนถึงจะหมดกิเลสเลยค่ะโอโ้โหเรียนเรียนวันเดียวเอาหมดกิเลสเลยฮะบอกได้ได้ได้ไ ด, ได้ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านมาที่นี่เนี่ยสวมใส่รองเท้ามาทุกทุกคนถามว่ารองเท้าที่ท่านสวมใส่มาเนี่ยสึกไหมครับสึกถามว่าสึกไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับ ไม่ทราบแต่ที่สึกเพราะใส่ทุกวันกิเลสสึกทุกขณะที่มีความรู้สึกตัวอย่าถามว่ากิเลสหมดเมื่อไหร่ขณะรองเท้าเป็นรูปธปรรมยังตอบไม่ได้มันสึกตลอดที่รู้สึกตัวมันเข้าไม่ได้กิเลสมันเข้าไม่ได้ท่านฝึกไปเถอะความรู้สึกตัวขยับไม้ขยับมือรู้กายรู้จิตขยับไม้ขยับมือก็ไม่ใช่รู้มือรู้สึกถึงอาการเคลื่อนไหวถ้ารู้มือเป็นบัญญัตินะครับ ถ้ารู้สึกอาการเคลื่อนไหวเป็นสภาวะนะครับแต่ในขณะเดียวกันบอกว่าการเจริญสมถะต้องรู้บัญญัตริรู้เป็นมือเป็นซ้ายเป็นขวาการวิปัสสนาต้องรู้สภาวะเช่นอาการเคลื่อนไหวแต่ถ้าสมมติเพ่งสภาวะก็เป็นสมถะเอาละสิทีนี้มาดูแล้วเพ่งกับรู้สึกหน้าตามันเป็นยังไงอีกอะเรามาดูว่าเพ่งกับรู้สึกหน้าตามันต่างกันตรงไห น, นเอามั้ยเอามือวางไว้ทั้งสองข้างเหมือนเดิม อันดับแรกเป็นความรู้สึกก่อนนะให้ยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นแล้วรู้สึกอาการเคลื่อนไหวแบบสบา ย, บายๆเหมือนเหมือนเมื่อกี้เนี่ยท่านยกขึ้นสบายๆนะท่านจะรู้สึกว่าอาการเคลื่อนไหวก็อยู่ส่วนหนึ่งมันมีธรรมชาติหนึ่งไปรู้สึกอาการเคลื่อนไหวธรรมชาตินั่นคือจิตนั่นเองนะครับท่านเอามือวางไว้ที่ตักมือนเดิมตอนนี้อันนั้นคือรู้สึกตอนนี้เป็นการเพ่งผมจะสอนให้เพ่งแล้วนะให้ท่านสังเกตเนี่ยเอาจิตนี่มาไว้ที่ฝ่ามือแต่ไม่ต้องเอาตาไปมองนะเอาแค่จิตมาอยู่ที่ฝ่ามือแล้วท่านค่อยๆยกขึ้น ค่อยๆยกขึ้นทีละหน่อยครับยกขึ้นอีกยกขึ้นมาอีกยกขึ้นอีกครับยกขึ้นอีกหยุดนะครับค่อยๆกดมันลงกดมันลงกดลงไปอีกครับกดอีกครับกดอีกครับกดลงไปถึงหน้าตักเลยครับกดเลยครับสังเกตไหมวิธีที่สองนี้มันก็รู้เคลื่อนไหวใช่ไหมครับแต่มันรู้แบบหนักๆตึงๆทื่อๆกระด้างไม่โปรง่งไม่โลง่งไม่เบา รู้สภาวะเหมือนกันแต่รู้แบบเพ่งครับตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เพ่งนะเพ่งสภาวะนะสมถะต้องรู้บัญญัติแต่สุดท้ายแม้สภาวะจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่พอไปเพ่งสภาวะก็กระโดดเป็นสมถะจนได้เหมือนกันท่านไม่ต้องไปเพ่งแล้วการที่รู้ากายกายกายเป็นการเคลื่อนไหวไม่ใช่รู้แค่ตรงนี้มันรู้เรื่องของจิตด้วยมันจะเป็นล็อกให้รู้แค่กายเคลื่อนไหวอ ย, อย่างเดียวไม่ได้นั่นก็คือการล็อกจิต มันต้องรู้ทั้งกายทั้งใจรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายสุดท้ายรู้ไปรู้มามันทะลุทั้งสี่หมวดกายเวทนาจิตธรรมรู้อยู่ในนี้วนเวียนอยู่ในนั้นหมดเลยครับแต่ตัวไหนเด่นมันจะรู้ในสิ่งนั้นยกตัวอย่างที่ท่านฝึกหลวงพ่อท่านสอนขยับไม้ขยับมือใช่ไหมท่านท่านรู้อาการเคลื่อนไหวพรจิตเผลอแวบไปคิดก็เห็นความคิดที่มันแวบไปจริงไหมครับแล้วท่านก็กลับมารู้ฐานของมันฐานนี้ก็คือวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิต ให้มัน ล, ลึกรู้แต่พอท่านนั่งไปนานๆในระหว่างขยับมือเนี่ยนั่งไปนานๆเมื่อยก้นไหมครับเมืเ่อยกับร่างกายใช่สิ่งเดียวกันไหมครับใช่ใช่ไหมครับท่านบอกท่านผู้ใดบอกว่าเมื่อยกับร่างกายใช่สิ่งเดียวกันยกมือขึ้นหน่อยสิครับท่านผู้ใดบอกไม่ใช่สิ่งเดียวกันยกมือขึ้นหน่อยสิครับท่านผู้ใดยังงงๆอยู่มันเหมือนเรื่องเปล่าไม่รู้อุสาหว่าผมถามยากมากเลยเนาะ <S <S อนะครับหากท่านผู้ใดคิดว่าร่างกายกับความเมื่อยใช่สิ่งเดียวกันบัตรนี้ถ้าใครมีร่างกายมันต้องเมื่อยหมดเลย ถามว่าพอเรานั่งใหม่ๆนั่งปุ๊บเมื่อยปั๊บหรือเปล่าครับไม่นะฉะนั้นร่างกายไม่ใช่ความเมื่อยไอ้ความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาที่ร่างกายแต่เพราะมันมีเหตุเหตุคือนั่งในอิริบทเดียวนานๆจึงเกิดปฏิยาแห่งผลคือความเมื่อยแวบขึ้นมาเห็นไหมครับความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาเวลาที่ท่านขยับไม้ขยับมืออยู่ดนีสิ่งที่เด่นคืออาการเคลื่อนไหวแต่พอนั่งนานๆปับอาการเมื่อยก้นเด่นกว่าอาการเคลื่อนไหวครับ จิตจะเอื้อมไปรู้อาการเมื่อยก้น ท, ทันทีแต่มันเอื้อมไปรู้อาการเมื่อยก้นท่านสังเกตอาการเมื่อยเลยเพราะอาการเมื่อย ก, ก็เป็นสภาวะอาการเมื่อยก็แสดงไตรักได้ท่านสังเกตต่อนะอาการเมื่อยท่านสังเกตที่ก้นนะครับมันจะเมื่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้น่ะไอที่เยอะขึ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ถ้าเยอะขึ้นแล้วท่านยังไม่เปลี่ยนอิยาบทนะมันไม่ได้จบที่เมื่อยก้นแล้วนะครับมันจะกระโดดเข้ามาที่จิตเลยจิตกระสับกระสายเลย จิตกระสับกระสายไม่ใช่อาการเมือ่อยก้นนะคนละตัวนะครับเห็นไหมครับท่านสามารถรู้จิตกระสับกระสายทั้งๆ ง, งที่มือท่านยังเคลื่อนไหวอยู่แต่มันไม่สนใจมือแล้วมันไปสนใจจิตกระสับกระสายได้ไหมได้รู้อะไรก็รู้ไปแต่ขอให้รู้อันเนื่องด้วยกายกับใจเป็นใช้ได้หมดไม่ได้ล็อกจิตไว้กับมือนะครับมือนี่แค่เป็นฐานแต่มันต้องรู้การเจริญวิปัสนาท่านเคยได้ยินคํานี้ไหมครับรู้สึกตัวทั่วพร้อม คำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมคือพร้อมที่จะรู้ทั่วสิ่งใดปรากฏที่กายก็รู้สิ่งใดปรากฏที่จิตก็รู้นะครับสิ่งใดที่ปรากฏในรูปของเวทนาก็รู้ไม่ใช่ล็อกจิตรู้อันเดียวนะครับถ้าล็อกจิตรู้อันเดียวก็เป็นสมถะนะครับสมถะจะล็อกจิตไว้กับอันเดียวนะครับเห็นไหมฉะนั้นเราเรียนรู้แต่ว่ามันจะต้องมีเครื่องอยู่ให้กับจิตบางคนนี่ก็มีเครื่องอยู่ให้กับจิตเขาเรียกว่าวิหารธรรมพาแปลเป็นภาษาไทยเลยก็เครื่องอยู่ให้กับจิต พอแปลเป็นเครื่องอยู่ให้กับจิตฟังเลยครับยังงงงงผมก็เลยพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านหาบ้านสักหลังหนึ่งให้กับจิตสมมตุติถามคุณคุณคจำชื่อไม่ได้เลยเข้าตูเข้าตูบ้านหนูอยู่ไหนคะบ้านบ้านพักอาศัยอยู่ที่ไหนครั บ, บพุทธบูชาถามน้องเข้าตูว่าบ้านอยู่ที่ไหนทุก น้องก็ตวบอกพุทธบูชาผมถามทุกท่านทุกท่านตอบได้หมดเลยผมถามใหม่เนาะบ้านอันนั้นเป็นบ้านของร่างกายใช่ไหมมีหลังคาบังแดดบังฝนใช่ไหมบ้านของจิตของท่านนี่อยู่ที่ไหนครับเอาล้สิเห็นมหมเราไม่มีบ้านให้กับจิตพอไม่มีบ้านให้กับจิตยิตจิตมันเลยเป็นเด็กเร่ร่อนพาเจอนจรอะ่ะไม่มีที่อยู่อาศัยน่าสงสารมากเลยอะ่ะหาบ้านสักหลังหนึ่งให้กับจิตทีนี้ บ้านสักหลังหนึ่งให้กับจิตนี่บางคนบอกหนูไม่รู้จะไปหาที่ไหนเราลองมาหาบ้านสักหน่อยดีไหมว่าบ้านของมันอยู่ไหนนะครับผมจะให้ท่านลองนั่งนิ่งๆสักประมาณสองนาทีเนาะท่านสังเกตพอท่านนั่งปุ๊บนะจิตของท่านนี่มันไปนสนใจอะไรส่วนใหญ่เช่นสนใจลมหายใจเป็นส่วนใหญ่สนใจอาการกระเพื่มไหวที่หน้าท้องเป็นส่วนใหญ่สนใจอิริบ ท, ที่ทรงตัวนั่งเป็นส่วนใหญ่ สนใจจิตที่มันเผอแวบเดี๋ยวก็แวบแว บ, บ, บ, บเป็นไปคิดเป็นส่วนใหญ่สังเกตผมคําว่าส่วนใหญ่ยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านรู้ลมหายใจเนี่ยห้าครั้งสมมุตินะครับมันกระโดดมารู้ท้องสิบครั้งแสดงว่ามันรู้ท้องเป็นส่วนใหญ่หรือร้องรู้ท้องสามครั้งมันรู้ลมสิบครั้งแสดงว่าสิบครั้งเป็นอันนี้เป็นส่วนใหญ่เอาที่ว่าส่วนใหญ่ผมจะหยุดพูดสองนาทีแล้วให้ท่านสังเกตดูเชิญครับขอโทษนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ใด ตกใจบ้างยกมือขึ้นหน่อยสิครับไม่ได้ห้ามตกใจนะตกใจให้รู้ว่าตกใจปฏิบัติธรรมจบแล้วครับตกใจคืออาการหนึ่งของจิตแล้วทราบไหมทําไมมันต้องตกใจด้วยทราบไหมครับสาเหตุที่มันตกใจเพราะหนึ่งขณะนั้นจิตกําลังเคลิมขาดสติหรือมิเช่นนั้นจิตกําลังฟุ้งคิดนู่นนี่นั่นลืมเนื้อลืมตัวถ้ามีสติรู้ตัวอยู่นะครับฟ้าผ่าเปรี้ยงตรงนี้คําว่าตกใจไม่เกิด แต่ไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามตกใจฝึกให้รู้ความจริงตกใจให้รู้ว่าตกใจสังเกตไหมตกใจดับหรือยังหรือมันยังตกใจอยู่เรื่อยๆตกใจเกิดแล้วมันก็ดับเห็นไหมให้รู้แบบนี้ถามว่าเมื่อสองนาทีตะกี้เนี่ยมีท่านผู้ใดที่รู้สึกที่ลมหายใจเป็นส่วนใหญ่โยกมือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับท่านผู้ใดรู้ท้องผองยุบเป็นส่วนใหญ่โยกมือขึ้นหน่อยสิครับ ขอบคุณครับท่านผู้ใด ร, รู้อิรียบทที่ทรงตัวนั่งอยู่เป็นส่วนใหญ่ยกมือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับท่านผู้ใดรู้อาการของจิตเดี๋ยวก็แวบแวบแวบอยู่เรื่อยเลยเป็นส่วนใหญ่ยกมือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับท่านสังเกตไหมทําไมมันรู้ไม่เหมือนกันบ้านไม่เหมือนกันเด็กที่ออฟฟิศที่บริษัทที่ผมทํางานอยู่ผมก็จับน้องสามคนเข้าห้องประชุมหนูสามคนดูลมหายใจประมาณสองสามนาทีเนี้ยเสร็จปุ๊บอ่ะพอแล้ว ถามคนแรกหนูรู้ลมหายใจเป็นยังไงหนูหายใจไม่ออกค่ะหายใจมาตั้งแต่เกิดบอกให้รู้ลมหายใจดูรูลมหายใจหนูหายใจไม่ออกค่ะน้องคนนี้ห้ามรู้ลมหายใจลมหายใจไม่ใช่จริตของเขาไม่เหมาะกับเขานะครับพอเสร็จปุ๊บอกเดี๋ยวหนูสังเกตใหม่ถ้าหนูรู้สึกท้องที่มันกระเพื่อมแบบสบายๆ ส, ยสิเออถ้ารู้ท้องคองยุบแบบสบายๆนี่ง่ายกว่าดูลมหายใจท้องคองยุบเป็นบ้านของเขาได้เพราะจริตของเขา มาดูคนที่สองรู้ลมหายใจเข้าหนูก็รู้ลมหายใจออกหนูก็รู้สบายสบายลมหายใจเป็นบ้านของเขาได้พอมาเป็นคนที่สามรู้ท้องพองยุบก็ไม่ได้ลมหายใจก็ไม่ได้แค่เสียงกริ่งโทรศัพท์กริ่งมแบปุ๊บั๊บปัเห็นความหงุดหงิดเลยคิดถึงโต๊ะทํางานวิธงานท่านหนึ่งเยอะแยะเลยพี่เข้ามาให้ฉันนั่งคุยอะไรวะนี่กังวลรู้ว่าใจกังวลเลยคนที่สามนี่ดูจิตความถนัดมันไม่เหมือนกันท่านสังเกตไหมครับ การปฏิบัติธรรมจะเจริญก้าวหน้านั้นมีหลักสามประการหนึ่งถูกจริตถูกจริตแปลว่าอะไรถูกอัธยาศัยถูกอัธยาศัยแปลว่าอะไรแปลว่าถนัดแล้วถนัดมันแปลว่าอะไรถนัดแปลว่ารู้อะไรแล้วมีสติตื่นรู้ได้ง่ายรู้รวมหายใจแล้วสติตื่นรู้ได้ง่ายไม่ตึงไม่เครียดไม่อึดอัดตรงนั้นแหละเรียกว่าถูกจริต รู้อาการขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนสอนรู้แล้วมีสติตื่นรู้ได้ง่ายนั่นแหละคือฐานให้จิตมานระลึกรู้เป็นการถูกจริตสอต้องถูกทางถูกทางจําเป็นต้องศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าส่งสอนอะไรไว้บ้างอริยสัจสี่การเจริญสติปัฏฐานสีสมถวิปัสสนายังไงเป็นต้นต้องศึกษาสาประจําสม่ําเสมอข้อสานี้เป็นจุดอ่อนของนักปฏิบัติทุกคนเลยนะครับข้อสานี้พระพุทธเจ้าช่วยไม่ไหว ครูบาอาจารย์ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันอัตหิอัตโนโนาโถวความประจำสม่ำเสมอผมมักจะพูดเสมอว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนดั่งแม่นกพระองค์ทรงสอนพวกเราลูกนกให้ฝึกบินนกบางตัวพอบินได้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็บอกไม่เอาขี้เกียจนอนในรังสบายกว่ากันเยอะเลยขันไฟไัยป่ามาเจ้าก็บินเอาตัวรอดไม่ได้ตายคารังแต่นกบางตัวเจ้าก็ผัดบินมันทุกวานทุกวนันเมือ่อใดก็ตามที่เจ้าบินทุกวนัน ปีกเจ้าก็จะแข็งแรงเจ้าก็จะบินได้สูงเจ้าก็จะบินได้ไกลคั้นไฟภัยป่ามาเจ้าก็สามารถบินเอาตัวรอดได้เห็นไหมครับฉะนั้นพวกเราคือลูกนกหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะบินทุกวันหรือเปล่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ในคอร์สปฏิบัติธรรมคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นการประโยชน่ไหมเกิดประโยชน์หนึ่งได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์มีข้อสงสัยได้ไต่ถามสองการมาเข้าคอร์สหนึ่งเพื่อรู้หลักคําสอนพระพุทธเจ้า สองรู้วิธีสามรู้อุบายเห็นไหมครับเมื่อรู้หลักรู้วิธีรู้อุบายต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหากใครแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตประจำวันอย่าได้พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเลยเพราะในหนึ่งรอบปีเราเข้าคอร์สปฏิบัติได้กี่ครั้งครั้งนึ่งได้กี่วันและที่เหลือมันอยู่ข้างนอกอะ่ะ ฉะนั้นเวลาออกจากห้องปฏิบัติก็ฝากพระอาจารย์มหาดีเลกหมดเลยอย่างนั้นนะมันก็ไม่ได้ไงฉะนั้นเราต้องรู้หลักจากที่ท่านสอนแล้วนาไปฝึกปฏิบัติในชีวิตเวทีนี้เป็นสนามซ้อมสนามฝึกแรดูดีแลดูดีมากเลยค่อนข้างเจ๋งพอควรไปเจอเวทีจริงใชครับภาคสนามจริงอ่ะของจริงในชีวิตประจําวันอ่ะอันนั้นคือสนามสอบนะครับเราต้องใช้สนามสอบเป็นทั้งสนามฝึกและสนามสอบไปนในตัวด้วย แต่ต้องมาเอาวิธีก่อนเอาเอาหลักก่อนนี่สำคัญมากถ้าเราไม่รู้หลักมันจะคล้งคว้างนะครับฉะนั้นถูกจริตถูกทางประจำสม่าเสมอนี่คือหลักที่ทำให้การเจริญภาวนาเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับทีนี้พอกล่าวคำว่าอุบายมีเราก็จะสังเกตว่าส่วนตัวนะส่วนตัวผมผมเองเนี่ยให้ความเคารพครูบาอาจารย์ทุกสายเลยแต่มีเงื่อนไข จะเป็นกุศโลบายใดๆก็าตามแต่ต้องมุ่งตรงต่อหลักคําสอนพระพุทธเจ้าหลักกับอุบายไม่เหมือนกันนะครับแต่อุบายใดไม่ตรงกับหลักคําสอนพระเจ้าอุบายนั้นวางวางเลยนะครับให้ความเคารพทุกครูบาอาจารย์ทุกสายเพราะอะไรหนึ่งท่านมีเมตตาท่านปรารถนาดีต่อพวกเราท่านไปศึกษาไปค้นคว้า ท่านไปค้นอ่ะพวกเรามีหน้าที่คว้าคว้าอย่างเดียวเลยท่านค้นมาเยอะแต่เราคว้าอย่างเดียวแล้วก็ท่านมีความกรุณามีอุสาหะมีความภาคเพียรมาสอนพวกเราให้เรารู้แต่ทีนี้ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยมีกุศโลบายไม่เหมือนกันสมมติอาจารย์ต้องการให้ลูกศิษย์ว่ายน้ําเป็นอาจารย์ท่านที่หนึ่งบอกใส่ห่วงยางกลอยตัวแล้วก็หัดว่ายน้ําอาจารย์ที่ท่านที่สอบอกเรามีแผ่นโฟมเกาะแผ่นโฟมก็ลอยตัวได้อาจารย์ท่านที่สามบอกเกาะ ต้นกล้วยก็ได้มันก็ลอยตัวได้เช่นกันอาจารย์ท่านที่4บอกเฮ้ยบ้านเรามะพร้าวแห้งเยอะเอามะพร้าวแห้งไว้สองข้างรักแล้ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องก็ว่ายน้ำได้อาจารย์ท่านที่4ี่บอกเราเป็นผู้หญิงมีผ้าถุงตีโป่งตีโป่งตีโป่งลอยตัวก็หัดว่ายน้ําเป็นท่านสังเกตไหมวิธีการแนวทางการสอนว่ายน้ําไม่เหมือนกันเลยแต่หลักคืออันเดียวกันว่ายน้ําเป็นแต่พอลูกศิษย์ว่ายน้ําเป็นคนที่ว่ายน้ำได้มีใครเอาห่วงยางลงสะไหมครับ ไม่ห่วงยางเกะกะรกรุงรังด้วยซ้ําไปแต่มันเป็นเครื่องเกาะเป็นอุบายก่อนหรืออีกหนึ่งตัวอย่างอาจารย์ต้องการให้ลูกศิษย์ได้รับวิตามินซีอาจารย์ท่านที่1บอกกินส้มสิอาจารย์ท่านที่สองบอกกินมะนาวสิอาจารย์ท่านที่3บอกกินฝรั่งสิอาจารย์ท่านที่4บอกกินแอปเปิลสิอาจารย์ท่านที่หบอกกินพริกสิผมเพิ่งทราบนะครับว่าพริกมีวิตามินซีมากกว่ามะนาวแต่ถ้าสมมติทียุ์เป็นโรคกระเพาะอาหาร ไปเรียนกับอาจารย์สอนกินพริกไหวไหมไม่ไหวแต่ไม่ได้แปลว่าอาจารย์สอนกินพริกสอนผิดใช่ไหมครับเพราะกินพริกมันก็ได้วิตามินซีเหมือนกันใช่ไหมเพียงแต่มันไม่ถูกถูกอัธยาศัยกับเราเฉยๆนะครับท่านจับหลักคําสอนพ่านเจ้าให้แม่นพอฟังครูบาอาจารย์ไม่ว่าสายไหนดีหมดแล้วสายของหลวงพ่อเทียนก็เป็นสายหนึ่งที่ดีมากเพราะหลวงพ่อเทียนใช้หลัก อุบัโรบายการขยับเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวเป็นอาการเขย่าวท่ารู้ให้ตื่นง่ายที่สุดตื่นง่ายกว่าอาการนิ่งอาการนิ่งมีโอกาสเครื่อง่ายมากเลยแต่อาการขยับนี่มันปลุกท่ารู้ให้ตื่นง่ายท่านสังเกตนะครับที่ผมบอกว่าไอ้เจ้าร่างกายนี่องค์รวมๆนี่มันมีแค่สองอย่างนิ่งกับไหวเอาลมหายใจดูเวลาหายใจเข้ามันก็เคลื่อนเคลื่อนขณะที่มันเคลื่อนนี่ก็คือไหวถูกไหมครับมันเคลื่อนเข้าไปถึงที่สุดมันจะหยุดนิ่ ง, น, งนิดนึง แล้วมันก็เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนออกอาการขึ้อนออกก็ไหวพอออกถึงที่สุดมันก็หยุดนิ่งนิดนึงแม้ลมหายใจก็หนีไม่พ้นคำว่านิ่งกับไหวมาดูท้องผ่องยุบอาการท้องพองพองพองจังหวะพองก็ไหวพอพอ ง, งที่สุดมันก็หยุดนิ่งนิดหนึ่งแล้วมันก็ยุบยุบยุบจังหวะยุบมันก็ไหวแล้วมันยุบถึงที่สุดก็หยุดนิ่งนิดหนึ่งสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนิ่งกับไหวมีพี่คนหนึ่งไปเรีย น, ยนที่วัดพุทธปัญญาอาจารย์ขาฟังครูบาอาจารย์มาเยอะมากดีหมดเลยค่ะแต่กุ้มใจมากเลย ถ้ากุ้มใจเรื่องอะไรมันหลากหลายแนวทางมากพี่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพี่เริ่มต้นไม่ถูกบอกพี่เอาอย่างนี้ได้ไหมพี่อย่าเพิ่งกุ้มใจเลยนะถ้าผมจะแนะนําให้พี่รู้แค่สองอย่างพอได้ไหมรู้ร่างกายนิ่งกับร่างกายเคลื่อนไหวแค่สองอย่างพอได้ไหมถ้าอย่างนั้นง่ายคะ่ะอาจารย์แค่สองอย่างง่ายคะ่ะเวลาที่พี่ยืนอยู่เฉยๆพี่รู้สึกยังไงนิ่งๆคะ่ะเวลาที่เดินละ พี่เดินก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวพอสิ้นสุดเส้นทางเดินก็ต้องหยุดก็นิ่งพอกลับตัวเป็นไงก็เคลื่อนไหวเป็นต้นแค่นี้พอได้ไหมครับพอได้ค่ะไปไปเดินจงกรมไปเดินจงกรมยี่ห้านาทีกลับมาอาจารย์ขาที่อาจารย์บอกว่าร่างกายมีนิ่งก็เคลื่อนไหวไม่ใช่คะไม่ใช่นะคะเอาเอ า, เอามันไม่ใช่นั่นเป็นยังไงมันมีเมื่อยๆด้วยค่ะเห็นหรือยังอาจารย์เทยุทธสอนนิ่งกับไหวอาจารย์ข้างในสอนต่อครับ มันมีเมื่อยๆด้วยค่ะอาจารย์ขาไม่ใช่มีนิ่งไหวแล้วก็เมื่อยนะคะมันมีคันคันด้วยค่ะอาการคันก็ไม่ใช่ไหวอาการคันก็ไม่ใช่นิ่งอาการคันก็ไม่ใช่เมื่อยคนละตัวเลยอาจารย์ขาไม่ใช่มีนิ่งมีไหวมีเมื่อยมีคันนะคะมันมีเบื่อเบอร์ด้วยค่ะเบื่อเบืร์เกิดที่ไหนครับ <S <S ใจสอนดูกายแท้ๆกระโดดดูจิตเลย อาจารย์ขาไม่ใช่มีแค่เบื่อนะครับมีฟุ้งคิดนู่นนี่นั่นด้วยฟุ้งก็ไม่ใช่เบื่อคนละตัวหมดเลยเห็นปะขอให้มีสติรู้เถอะครับให้มีฐานเถอะครับอะไรก็ตามที่ปรากฏที่กายมันก็จะเอื้อมไปรู้อะไรปรากฏที่จิตมันจะเอื้อมไปรู้เองขอให้มันมีรู้ความรู้สึกตัวหาบ้านสักหลังหนึ่งให้จิตมันอยู่ก่อนถ้ามันอยู่กับบ้านพอมันฉลาบออกนอกบ้านหรืออะไรแปลกปลอมเข้ามาในบ้านของมันมันจะเอื้อมไปรู้สิ่งนั้นได้เอง เห็นไหมครับท่านสังเกตไหมวิปัสนาจะไม่ล็อกจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งเป็นการเฉพาะแต่สมถะต้องล็อกจิตไว้เป็นการเฉพาะเพราะต้องการให้รู้อารมณ์เดียวนั่นเองจึงจะเกิดความสงบของจิตได้นะครับพอได้แนวทางเนาะทีนี้ตั้งคําถามการเจริญวิปัสนาต้องรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจการเจริญสมถะต้องรู้บัญญัติอารมณ์นี่คือนี่นี่คือหลักนะทีนี้เป็นคําถามนะถ้าสมมติ รู้พุโทโธพุธโทโธนี่พุโทโธเป็นบัญญัติไหมครับถ้ารู้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเฉยๆถามว่าเป็นสมถะแล้วหรือยังครับรู้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธอย่างเดียวเลยนะเป็นสมถะแล้วหรือยังครับเป็นแล้วถ้ารู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเช่นรู้อาการเคลื่อนไหวรู้ใจที่มันคิดนึก คือเรื่องคารู้สภาวธรรมรู้อาการก้นที่มันเมื่อยรู้อาการเมื่อยถามว่านี่คือรู้สภาวธรรมการรู้สภาวธรรมถามว่าตรงนี้นี่เป็นวิปัสนาแล้วหรือยังครับท่านผู้ใดบอกว่ายังยกมือขึ้นท่านผู้ใดบอกเป็นแล้วยกมือขึ้นท่านผู้ใดบอกงงงอยู่ยกมือขึ้นเห็นไหมน่าเรียนไหมสําคัญที่สุดคือความเข้าใจนะครับเอานะครับท่านจับประเด็นนะการเจริญสมถะจะมีสมมุติบัญญัติเป็นอารมณ์ การที่ไปรู้สมมุติบัญญัติเป็นอารมณ์รู้อยู่สิ่งเดียวอารมณ์เดียวนานๆเพื่อจิตน้อมไปรู้อยู่ในอารมณ์เดียวนานๆจนทําให้จิตเนี่ยได้รับความสงบจึงจับเป็นสมถะก <Knights. S 1> <G arn. S 2> ารเจริญวิปัสสนาต้องรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจแล้วเห็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเป็นไตรลักษณ์จึงจะจัดเป็นวิปัสสนานี่คือหลักทีนี้เรามาดูที่เราถามกันหากรู้พุโทโธพุทโธเนี่ย ถามว่าเป็นสมถะแล้วหรื อ, อยังคําตอบคื อ, อยังจนกว่ารู้พุทโธพุทโธแล้วจิตสงบจึงเรียกว่าสมถะแต่ถ้ารู้พุทโธพุทโธเขาเรียกว่าแนวทางการเจริญสมถะแต่ยังไม่ได้สมถะแต่เป็นแนวทางแล้วเพราะรู้อันเดียวการเจริญวิปัสนาต้องรู้สภาวะธรรมรู้กายเคลื่อนไหวรู้อาการเมื่อเป็นการรู้สภาวะแต่ถ้าตราบใดยังไม่เห็นสภาวะธรรมนั้นแสดงไตรลักษณ์ยังจัดไม่เป็นวิปัสนา ปัญญาแต่เป็นการเจริญแนวทางวิปัสนาเพราะรู้สภาวะเพราะการรู้สภาวะวันหนึ่งก็จะเห็นไตรลักษณ์นั่นเองพอเห็นภาพนะครับนี่ก็คือความละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาบอกกล่าวกันเนี่ยเพราะว่าเราชาวพุทธสำคัญที่สุดความเห็นถูกต้องนะสัมมาทิชชีนะไม่งั้นเราจะปฏิบัติแบบไม่เข้าใจที่มาที่ไปว่ามันเป็นมาอย่างไรนะครับขออนุ ญ, ญาตเหลือดูนาฬิกาก่อนโอ้เหลือเวลาแค่ ห้านาทีเองอะ่ะขออนุญาตแนะนําหนังสือเลยเนาะวันนี้เอาหนังสือจริงๆแล้วพี่ประภัยประพาพัฒน์ใช่มผมโทรท่านโทรมาบอกว่าอาจารย์ว่างวันนี้ช่วงเก้าโมงถึงเที่ยงผมว่างไม่ได้ติดธุระอะไรก็เลยถามว่าพี่ครับไม่ทราบว่าผู้ปฏิบัติธรรมท่านมาปฏิบัติธรรมสักกี่มากน้อยผมจะได้เอาหนังสือซีดีมาแจกท่านท่านก็บอกว่าอาจารย์มาสักประมาณสิบห้าสิบห้าคน บอกว่าสิห้าคนถ้าอย่างนั้นผมอาจารย์เอามาสักยี่สบชุดก็ได้ผมโอกโอย่างนั้นผมเอาไปเผื่อแล้วกันผมเอาไปสาสิบชุดเพราะชุดหนึ่งสิบชิ้นครับผมแจกทีละสิบชิ้นปรากฏว่าทําไมมากกว่าสามสิบทำไมมากกว่าสิบ้าเยอะเลย <laughs> ผมไม่ทราบถ้าเป็นทราบผมเอามาเป็นร้อยนะครับเวลาผมไปสอนที่ใดผมแจกแบบนี้สิบชิ้นขออนุญาตแนะนําหนังสือก่อนแต่ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอามาฝากไม่ให้นะครับ หนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนขึ้นชื่อหนังสือใหม่แกะกล่องเป็นการแนะนําการเจริญสติในชีวิตประจําวันแบบง่ายๆมีตัวอย่างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับเลยแม้แต่การตั้งทานข้าวดูทีวีเป็นต้นนี่หนังสือเล่มแรกนะครับหนังสือเล่มที่สองคือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนี้คือสอนแม่ยายคุณแก้วอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณแก้วยืนขึ้นหน่อยสิครับนั่นคือคุณแก้วภรรยานะครับสอนแม่ยาย <c oughs> สอนแม่ยายปฏิบัติธรรม ตอนที่ผมกับคุณแก้วจะไปปฏิบัติธรรมเขาจะบอกแม่ครับเดี๋ยวผมกับแก้วจะไปปฏิบัติธรรมคันกลับมาแล้วจะเอาบุญมาฝากแม่นะครับแม่ก็บอกสาธุอนุโมทนาและท่านเปลยไง พระท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องดีแล้วมันจะดีไปได้อย่างไรก็ในเมื่อแม่อ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่เป็นชีวิตแม่มันอาภัพนักถ้ามีใครเชิญชวนให้คุณแม่สร้างโรงเรียนคุณแม่จะเร่งรีบสร้างทันทีปรารถนาว่าชาติหน้าตัวเองเกิดมาจะได้อ่านออกเขียนได้เรียนหนังสือเขาได้บ้างพอท่านเปรย์ถึงความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจผมก็บอกแม่ครับแม่อยากปฏิบัติธรรมจริงเหรอครับจริงสิผมก็เลยตอบท่านไปว่าการปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องอ่านออกเขียนได้ขอให้แม่มีหู ตั้งใจฟังขอให้แม่เปิดใจขอให้แม่ฝึกฝนใจประจำสม่ําเสมอทุกวันแล้วแม่ก็จะปฏิบัติทําได้พอผมพูดจบแม่ตื่นเต้นจริงเหรอแบบแม่เนี่ยนะอายุ85อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นสามารถปฏิบัติธรรได้ผมบอกได้สิคะถ้าแม่อยากปฏิบัติธรรจริงๆผมจะสอนให้แม่เองคําว่าผมจะสอนให้แม่เองไม่ใช่คําสอนทีลยุทธนะครับน้อมนําเอาคําสอนพระพุทธเจ้าบอกกล่าวให้คุณแม่ได้ฝึกปฏิบัติคุณแม่เริ่มต้นนับหนึ่งปฏิบัติธรรมเมื่ออายุ85ปีแล้วเลิกปฏิบัติธรรมเมื่ออายุ เก้าบสาปีเพราะท่านเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ววันที่ห้าเมษาเนาะตอนที่จิต ด, ดับไปยังจิตซีสงบมากคุณแม่ปฏิบัติธรรมทุกวันไม่มีวันหยุดไม่เคยลาป่วยลากิจลาพักผ่อนพักร้อนแม้แต่วันเดียวเพราะกิเลสมันไม่เคยลาพักร้อนกับเราแม้เสี้ยววินาทีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากหลังจากสอนคุณแม่ไปได้สองปีอายุแปดสิบเจ็ดเนาะคุณแก้วในฐานะลูกสาวบอกแม่ตัว น, นี้อายุแก่มากแล้วเนาะไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ก็เลยบอกว่าทำไมไม่เขียนหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมเอาไว้แจกงานศพแม่บอกเออดีเหมือนกันเนาะเวลาไปงานศพก็มักจะได้แจกยาอมยาดมยาหมองผ้าเช็ดหน้าหนังสือสวดมนต์ก็บอกเขียนหนังสือการปฏิบัติธรรมว่าบุคคลที่อยู่บนเมนเผาตอนมีชีวิตอยู่เขาปฏิบัติธรรมอย่างไรตั้งใจที่จะเขียนเรื่องนี้เพื่อแจกงานศพแม่คุณแก้วกับผมก็เดินไปบ้านแม่ คุณแกบอกแม่ยุทธเขาจะเขียนหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมอันเป็นเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของแม่ทั้งหมดเลยเอาไว้แจกงานศพแม่พอแม่ได้ยินคำว่างานศพทำไหมาคุณแม่ทำไงยิ้มหวานครับเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่กลัวตายผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกลัวเกิดเพราะมีเกิดไม่ใช่หรือจึงมีคาว่าแก่เจ็บตายในที่สุด แต่สุดท้ายคุณแก้บอกถ้าหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วแม่ยังไม่ตายหนูจะมาอ่านให้แม่ฟังคุณแม่ได้ฟังเรื่องราวตัวเองหลายรอบแล้วครับนี่คือหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนะครับหนังสือเล่มที่สามทุดงไม่หลงทางตอนบวชไม่ได้ไปทุดงพอสศึกออกมาเป็นคารวะเหมือนท่านก็เลยได้ไปทุดงไปป่าเขาลําเนาภัยแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นแต่มันเป็นประทับใจและเป็นสิ่งที่บันดาลใจให้เขียนหนังสือเล่มนี้คือ ป่าช้าสาธารณะประเภทขุดหลุมเอาศพวางดินกบเข้าไปป่ามีแต่ศพทั้งนั้นเลยแล้วก็ไปอยู่ในป่าช้าก็าเลยเขียนว่าธรรมชาติป่าเขาและป่าช้านี่สอนธรรมะอะไรให้กับเราได้บ้างนี่คือเนื้อหาสาระในนี้นะครับหนังสือเล่มที่สี่ปลูกต้นทมงอกงามที่ใจเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ระดับปริยโทเป็นวิชาชีวิตและความตายให้นิสิตปริยโททั้งพระและฆราวาสมาสัมภาษณ์ผม พอตั้งหัวข้อมาแล้วผมก็ตอบเป็นคําถามคําตอบแบบง่ายๆเดิมทีนิสิตปรียโทจะส่งอาจารย์เป็นเปเปอร์เป็นชีทแต่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยลงขันทําเป็นหนังสือส่งอาจารย์แล้วผมก็เลยมาพิมพ์ต่อแจกต่อเป็นการแนะนําการดําเนินชีวิตในการทํางานแบบง่ายๆนะครับ หนังสือเล่มที่ห้าท่านจะสังเกตว่าหนากว่าใครเพื่อนเลย2องห้าบหน้าเป็นการรวบรวมที่ผมสอนการปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธปัญญาหปีรวมในเล่ม น, นี้เล่มเดียวนะครับตั้งแต่ที่น้องออกมาแล้วก็สั่งคนหลายใจอะไรนะั้นเพลงอยู่ในนี้หมดนะคือผมสอนอยังไงแล้วผมเขียนอย่างนั้นน่ะท่านไม่ต้องจดมาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ก็คือเล่มที่ห้าสำหรับเล่มล่าสุดลุงยุทธสะดุดคิดในนี้มีทั้งหมดยี่สิเรื่องและเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลย แต่เนื่องจากเป็นเรื่องจริงในนี้จะเป็นเรื่องของผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย7เรื่องนะครับมันมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็ประทับใจด้วยในเรื่องของเด็กเป็นเรื่องเป็นมะเร็งคืออย่างนี้ครับคุณปู่ทําโรงเป็นประธานมูลนิธิจิตตานุเคราะห์ที่เชิญให้ผมไปสอนนะครับในขณะเดียวกันท่านก็มีมูลนิธิดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่งเครื่องฟอกไตไปโรงพยาบาลขอนแก่นทีนี้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นมะเร็งเนี่ยก็ ค, คือหมอปฏิเสธแล้วคุณปู่ก็าเลโทรมาอาจารย์ทีรยุทธ ผมจาจะเอาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมาเที่ยวทะเลพัทยาจริงๆอ่ะผมเอาทะเลมาเป็นเหยื่อล่อเพราะอีสานไม่มีทะเลแต่อยากให้อาจารย์ยุทธเนี่ยสอนธรรมะให้เขามีที่พึ่งก่อนจากโลกใบนี้ไปอาจารย์พอว่างไหมครับว่างครับเสร็จปั๊บผมก็ไปรอที่พัทยามูลนิธิบุญกันจนารามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมผมเองอ่ะมีผู้ป่วยมะเร็งแคนผู้แล้วก็ผู้ผู้ติดตามเข้ามาก็คือผู้ปกครองนี้อีก8 พยาบาลกับผู้ช่วยอีกสี่รวมไปเสียยี่สิบรถตู้สองคันวิ่งมาที่พัทยาผมก็รออยู่ปรากฏว่ารถตู้สองคันลงลงคนลงจากรถตู้นะครับผมตกใจครับเป็นเด็กตัวกระเปียกเดียวเดินเดินมาอายุห้าขวบเล็กสุดสิบห้าขวบสูงสุดพอเดินเดินมาคือหน้าเขาเศร้ามากเลยอะ สุดท้ายนี่คุณปู่บอกอาทุกคนมาสวัสดีอาจารย์ยธิยศสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือหมดแรงอะ่ะเหนื่อยมากเลยเสร็จปุ๊บผมก็เหลือบไปเห็นไอ้เจ้าตัวเล็กหนูมานี่หน่อยซิหนูชื่ออะไรครับผมชื่อน้องม่อนครับน้องม่อนอายุกี่ขวบครับผมอายุห้าขวบครับคุณหมอบอกว่าน้องม่อนเป็นอะไรครับตอนนี้น้ําตาคลอเลยนะครับ หมอบอกผมเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดครับคุณหมอบอกรักษาได้ไหมตอนนี้น้ำตาไหลครับแล้วไม่ใช่ไหลคุณน้องม่อนนะครับอีกเจ็บหนะ้าและผู้ปกครองเอะหมอบอกไม่มียารักษาแล้วครับโอ้โหบรรยากาศนี้อึมคึมมากเลยผมรีบเปลี่ยนบรรยากาศโดยด่วนเลยว่ามียารักษายาพระพุทธเจ้ารักษาได้เด็กมองหน้ากัน ยาพระพุทธเจ้ารักษาได้หรือครับได้แต่ก่อนที่เราจะกินยาพระพุทธเจ้าเราไปเที่ยวทะเลกันก่อนดีไหมใชโ่โยลืมป่วยเลยอะลืมป่วยเลยแล้วมันเป็นภาพประทับใจที่อยากจะสาธิตให้ท่านดูพอเอารถตู้เนาะสองคันเขาเด็กขึ้นรถตู้พาวิ่งลงทะเลอ๋อไม่ไม่ใช่ลงทะเลแค่ชายหาดทะเลชายหาดทะเลเสร็จปั๊บเด็กอะสมมตินี้เป็นรถตู้นะเด็กก้าว เ, เท้าลงจากรถตู้แล้วเขาเห็นทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนะแล้วเข้ามือสองข้างมาพนมกัน่ะ ฝันของหนูเป็นจริงฝันของหนูเป็นจริงหนูจะเอาน้ำทะเลไปฝากคุณพ่อหนูจะเก็บหอยไปฝากเพื่อนเด็กนั่งนับปฏิทินว่าเมื่อไรผู้ใหญ่ใจดีจะพาเด็กมาเที่ยวทะเลแล้วผมก็ได้พาเด็กเล่นน้ำทะเลสอนเด็กในทะเลเลยครับก็คือหนังสือเล่ ม, เ ล, มเล่มนี้แหละครับสอนเด็กในทะเลจึงเกิดเรื่องราวของเด็ก มเร็งเจ็ดเรื่องแล้วก็มีวัยทำงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับเจ้านายตลอดจนวัยรุ่นหนุ่มสาวรักกันปามจะกินกินมันจะแต่งงานกันอยู่แล้วผู้หญิงจับได้ว่าผู้ชายมีกิ๊ก คาคอนโดเปิดไปจะเอ๋เลยอ่ะผู้หญิงคิดฆ่าตัวตายะแล้วผมได้ไปพูดกับน้องเขาจนวันนี้ชีวิตเขามีความสุขมากไม่ฆ่าตัวตายเนื่องจากมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดผมจึงเปิดเผยเรื่องจริงไม่ได้จึงสมมุติชื่อมาใหม่หมดแต่ทุกคนต้องเรียกทีรยุทธ์ว่าลุงยุทธเพราะเป็นเรื่องเด็กๆกับวัยรุ่นนั่นเองนี่คือหนังสือเล่มล่าสุดนะครับหกเล่มทีนี้มาดู MP3 บ้าง เอ็พสแผ่นแรกคือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์จึงขออนุญาตไปอ่านออกอากาศสังฆทานรำขอชื่นชมทีมงานพระสังฆทานเขาทาเป็นละครวิทยุเสียงแม่เสียงลูกคุยกันมีเสียงนกประมาณสองชั่วโมงหลังจากนั้นนี่เขาจะหยุดไปนานนิดหนึ่งบางคนนึกว่ามันหมดแผ่นแล้วยังครับหลังจากนั้นสัมภาษณ์ทีลยุทธอีกหกชั่วโมงฟังแผ่นนี้จะรู้ประวัติผมตั้งแต่ปสองจนถึงปัจจุบันเลยนี่คือแผ่นเดียวนี้ทีนี้มาดูแผ่นนี้เอ็มพสาม ไม่แกะกรองกับทุดงไม่หลงทางว่าสังฆทานขออนุญาต อ, าอ่านออกอากาศและสัมภาษณ์ผมเป็นครั้งที่สองว่าแผ่นที่หนึ่งออกไปแล้วนี่มีผลตอบรับกลับมาอย่างไรในนี้ก็จะเล่าเรื่องของเด็กมะเร็งแล้วก็ประสบการณ์ไปทุดงด้วยนะครับอันนี้เป็นดีวดีละฝึกสติเรียนรู้ดูกายจิตในอียิบทยืนเดินนั่งนอนจะทำยังไงอันนี้ใช้เวลาการชมในทางโทรทัศน์ประมาณ3ามชั่วโมงนะครับ สำหรับแผ่นสุดท้ายชีวิตไม่ใช่ของเล่นเป็น d v วดีเหมือนกันท่านพระราชปฏิพานมุนีผู้ช่วยเจ้าเจ้าวาดวัดประยูระวงเป็นผู้เอาธรรมะเข้าโรงแรมห้าดาวเข้าโรงแรมบนเทียนเข้าโรงแรมตะวันนาแล้วได้เชิญผมไปพูดนะครับพอดีมีการบันทึกวิดีโอเอาไว้ผมก็เลยมาอัดเป็น d v วแล้วก็แจกทุกครั้งก็จะแจกแบบนี้แจกทั้งหมด สิบชิ้นต่อหนึ่งท่านแต่วันนี้ต้องขออภัยจริงๆผมไม่ทราบว่ามาเยอะขนาดนี้ผมนึกว่ามาสิบห้าผมเอามาสามสิบผมว่าผมเผื่อมากแล้วนะครับแต่แต่ไม่เป็นไรครับยังไงผมจะเอามาไว้เผื่อที่นี่นะครับท่านมีโอกาสแวะเวียนมาที่นี่ก็ก็มาขอรับในโอกาส ต, ต่อไปได้นะครับทีนี้ก็เลยอยากจะดูเวลาก่อนอ๊ะเวลาเลยมาหน่อยหนึ่งขอเลยอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับจะเลยแบบสรุปเลยเนาะเลยสรุปสรุปให้เปลี่ยนบทเพลงธรรมะ No. บทเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมจริงๆต้องตอบวันหนึ่งผมไม่ใช่นักร้องสองไม่ใช่นักแต่งเพลงสามไม่ใช่นักดนตรีแต่มีวันหนึ่งพาคุณแก้วไปหาหมอแล้วคุณแก้วนี่ไปอยู่ในห้องคุณหมอดูแลรักษาอยู่ผมก็ไปนั่งรอที่ห้องอาหารแล้วห้องอาหารก็มีโทรทัศน์และเขามีเพลงหนึ่งไงแอบรักเธอ อยู่ในใจเอ๊ะทำนองนี่มันก็โอเคเนาะแต่ถ้าเราจะแต่งเนื้อเพลงปฏิบัติใส่เข้าไปในนั้นนี่มันจะพอได้ไหมอันนี้คือเป็นเพลงแรกผมก็เลยแต่งว่ามีสติอยู่กับใจมีสิ่งใดให้รู้ตามรู้รูปนามรู้ตามเป็นจริงแค่ ไปให้บังคับรู้แล้วกลับลาเลือนสิ้นรู้กายใจไม่บาบินชีพไม่สิ้นทนรู้ไปฝึกไม่ให้ตามรู้ให้ตามดูรู้เท่าทัน ฝึกนานไปไม่เกียรครานหากชำนาญรู้ได้จริงสิ่งประเสริฐเกิดกับใจหมดห่วงใยไรทุกเอ่ยหมดห่วงใยไรทุกเอ่ยขอบคุณครับ นั่นคือเพลงแรกเสร็จปุ๊บนี่เวลาสอนธรรมะพอหลังอาหารเนี่ยคนฟังธรรมะชอบทําความเคารพอาจารย์เกินความจําเป็นเห็นไหมหลังเที่ยงเนี่ยแต่อย่างนี้เลยผมว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะก็ะเลยแต่งเพลงปฏิบัติขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งว่าการเจริญวิปัสนาแค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่ดูนะครับก็เลยมารวมในอีกเพลงหนึ่งถ้าลองฟังเพลงนี้เพลงนี้คือการสอนปฏิบัติโดยตรงเลยนะครับ แค่รู้แค่ดูหัดรู้หัดดูด้วยความรู้สึก อยากรู้อยากดูยิ่งใครจากรู้ยิ่งดูน้าเศร้าอย่าลงคิดเอาอย่าหวังขาดเดาไม่เห็นความจริงชีวิตมีกายชีวิตมีใจให้ได้เรียนรู้ระลึกรู้อยู่ เฝ้ารู้เฝ้าดูจึงเห็นความจริงมองเห็นที่กายมองเห็นที่ใจมิใช่ตัวเรายิ่งมองยิ่งเศร้าเรานั้นคิดเอาชีวิตลำเข็น กายกับใจนั่นแหละตัวทุกข์หลงวาสุขสนุกสนานกายกับใจนั้นมันไม่เที่ยงหลงวะเที่ยงชะไหนแปรปรวนกายกับใจไม่ใช่ตัวตนหลงวาตนบังคับไม่ได้สุดท้ายหลงผิดเพราะเราคิดเ้าเองสุดท้ายหลงผิดเรายึดติด ไปเองขอบคุณครับเห็นไหยครับกายกับใจมันนั้นมันไม่เที่ยงหลงว่าเที่ยงชะไหนมันแปรปลวนเนาะเวลาหมดพอดีครับ จะร้องอีกเพลงหนึ่งก็คงไม่ไม่ได้แล้วเนาะเวลาหมดก็คือหมดเวลาเนาะก็คิดว่าหนะโอกาสสุดท้ายนี้ขอขออํานาจแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและกุศลผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้ร่วมกันศึกษาและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ขอจงได้รวมเป็นพลวะปัจจัยให้เกิดผลเกิดสติเกิดปัญญาแตกฉานในธรรมะคาตรัสสอนของพระพุทธองค์จนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์นั่นคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทิน